ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่สี่สบอดที่พูดค้างไว้เรื่องพระรัตนตรยัยว่าพระรัตนตรัยนั้นก็โยงเราเข้ามาหาธรรมะนี่นี่ว่าธรรมะที่มาสัมผั์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ในการที่จะใช้ประโยชน์เนี่ยก็คือหลักอริยสัจส์่เพราะฉะนั้นพูดโดยรวบรัฐก็บอกว่าเมื่อถึงพระ ต, ตรณะใจเป็นสรณะพระ ต, ตรณะัยก็จะมาโยงเราเข้าหาอริย ส, สัจสทํทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับชีวิตและปฏิบัติต่อ สิ่งแวดล้อมได้โดยถูกต้องให้เกิดผลดีแก่ชีวิตและสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะทีนี้ว่าพระรัตนตรัยโยงเราเข้าหาอารยสัตว์สี่อย่างไรก็มาดูที่คำว่าธรรมะนี่แหละเพราะว่าอารยสัตว์ก็บอกแล้วว่าเป็นการนำเอาธรรมะนี่มาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์ อันนี้ธรรมะนั้นก็ได้พูดไปแล้วว่ามีความหมายสี่ประการถ้าเข้าใจความหมายสี่ประการนั้นเวลาพูดถึงคำ ว, ว่าธรรมะนี่นก็จะมีภาพที่เกิดความชัดเจนในที่นี้ก็จะไม่ไปทบทวนความหมายสี่อย่างของธรรมะอีกอามเป็นว่าง่ายๆก็คือว่าเราเนี่ยมีชีวิตที่ เป็นธรรมะด้วยอยู่ท่ามกลางธรรมะนะน้ว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมะคือความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายคือกฎธรรมชาติแห่งเช่นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ว่าเราจะต้องรู้เข้าใจมันปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของมันแล้วจะได้เอามันมาใช้ประโยชน์แล้วเกิดผลดีกับชีวิตของเรานะี อันนี้ธรรมะนี่อยู่ที่ไหนล่ะธรรมะก็อยู่ที่สิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องตั้งแต่ชีวิตของเรานี้เป็นต้นไปพูดง่ายๆในแง่นี้เอาสักความหมายหนึ่งของธรรมะก็ที่สําคัญที่สุดก็คือความจริงทั้งสิ่งทั้งหลายนั่นเองตัวธรรมะความจริงทังสิ่งทั้งหลายก็ย่ำอยู่ที่สิ่งทั้งหลายนี่แหละ ในสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นทีเราเกี่ยวข้องก็ปรากฏในลักษณะที่ว่าเราเห็นความเป็นไปของมันนะเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายความจริงของสิ่งทั้งหลายพูดในความหมายง่ายๆที่ปรากฏแก่มนุษย์ก็คือความเป็นไปของสิ่งต่างๆนะแม้แต่ชีวิตของเราเองนี่ก็มีความเป็นไปนะ สิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องก็มีความเป็นไปเท่านั้นแหะอย่างชีวิตของเรานี้ก็มีความเป็นไปอยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นอยู่รู้อยู่มันมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอแม้กระทั่งว่าเราบอกว่าหลับเหมือนกับว่าไม่เป็นไปมันก็เป็นไปใช่ไหมในเวลาหลับ ทั้งจิตทั้ทงกายก็มีความเป็นไปตลอดเวลาเอายิ่งกว่านั้นก็คือาตายตายแล้วเนะี่ยบอกว่าหยุดนิ่งแต่ที่จริงไม่ได้นิ่งมีความเป็นไปตลอดเวลาร่างกายนั้นมันก็มีความผันแปรไปมีอาการต่างๆแปลกไปจากเดิมเรื่อย ในที่สุดมันก็เน่าเ ป, ปื่อยไปเพราะนั้นที่ว่ามันหยุดนิ่งมันก็ไม่ได้หยุดนิ่งอะไรเนี่ยในโลกนี้เราอยู่กับความเป็นไปสิ่งทั้งหลายมองเห็นความเป็นไปอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือความเป็นจริงของสิ่งต่างๆอย่างง่ายที่สุดที่ปรากฏแก่นมนุษย์ความเป็นไปของสิ่งต่างๆทีนี้ความเป็นไปเหล่านี้ก็คืออะไรก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปนะั่นก็คือมันเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการที่ว่าสภาพเก่ามันดับหายไปแล้วก็มีสภาพใหม่เกิดขึ้นสภาพเก่าดับไปสภาพใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเรียวกว่าความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราก็จะเห็นได้เลยว่าอ๋อนี่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปสภาพเก่าเป็นอย่างนี้มาเป็นสภาพใหม่งี้แล้วสภาพใหม่นั่นก็ดับหายไปอีก ก็เรียกว่ากลายเป็นสภาพเก่าไปก็มีสภาพใหม่นี้ที่เราเห็นง่ายๆก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในระดับหยาบช่วงเวลายาวๆนี่เราจะเห็นชัดอย่างชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกตัวว่ามันมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงอย่างไรจนกระทั่งนานๆทีหนึ่งเราก็เห็น ยิ่งเราอยู่กับตัวเราเองตลอดเวลาเนี่ยเราไม่เห็นหน้าตาเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรจนกระทั่งเห็นมันชัดๆนะเราไปเทียบว่าโอ้ตอนนั้นเราเป็นเด็กต่อมาเราโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่ต่อมาเราแก่ตัวลงเนี่ยช่วงยาวๆเงี้ยเราเห็นหรืออย่างเราไปพบกับคนอื่นที่เรารู้จักกันนานๆพบกันทีแล้วก็เห็นว่าเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเห็นกันอยู่ทุกวันนี่ดูไม่ออกใช่ไม แต่ถ้าห่างกันห้าปีสิบปีเนะี่ยมาเห็นว่าแปลกตาไปเลยนีแต่ความจริงนั้นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปกระทั่งว่าละเอียดยิบเลยในที่สุดก็คือเปลี่ยนแปลงทุกขณนะกว่ามันจะปรากฏเป็นความเปลี่ยนแปลงช่วงยาวนั้นมันเปลี่ยนแปลงทุกขณะตลอดเวลาเลนียทีนี้ความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างที่ว่ามันก็อยู่ในความจริงที่ว่าก็คือ สภาพเก่าดับไปสภาพใหม่เกิดขึ้นก็อย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนี้อาการปรากฏที่ว่าสภาพเก่าดับไปสภาพใหม่เกิดขึ้นสภาพเก่ารับหายสภาพใหม่ปรากฏอันนี้ก็คือความที่มันไม่คงอยู่ในสภาพเดิมเออพูดในแง่หนึ่งนะฮะพอเราพูดว่าสภาพเก่าดับหายสภาพใหม่เกิดขึ้นมันยังแยกเป็นสอง แต่พอเราพูดอีกทีรวมกันก็คือว่ามันไม่คงอยู่ในสภาพเดิมเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงพูดในความหมายหนึ่งก็คือการไม่คงอยู่ในสภาพเดิมเมื่อไม่คงอยู่ในสภาพเดิมมันมีความเปลี่ยนแปลงไม่คงอยู่ในสภาพเดิมมันมีความเป็นไปอย่างเงี้ยอ้าวทีนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นไปเรื่อยรื่อยเปื่อยนะมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปโดยที่ว่า มันมีอะไรเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่ทำให้มันต้องปรากฏในรูปใดรูปหนึ่งจากการอยู่ในสภาพนี้เก่าดับหายไปปรากฏสภาพใหม่เนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นยังไงก็ได้นะมันเป็นไปในอาการที่ว่าเออมันมีอะไรที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือการที่มันไปเกี่ยวข้อง กันและกันนั่นเองสิ่งทั้งหลายทั้งหมดมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไอความสัมพันธ์ต่อกันนี่แหละมันมีมีผลมีอิทธิพลต่อกันนะฮันทให้การที่สิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏในลักษณะในสภาพที่เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นต่ออิทธิพลความสัมพันธ์นั้นการที่สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์ต่อกัน มีที่ผลต่อกันนี้เราเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่กันละกันนั้นเราก็เลยเรียกอาการนี้ว่าความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยใช่ไหมคะแนนก็หนึ่งก็มีความเป็นไปนะความเป็นไปก็เป็นสับคลุมๆแหละแยกออกไปให้ชัดขึ้นอ๋อความเป็นไปนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงก็คืออาการที่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมีสภาพเก่าดับไปสภาพใหม่เกิดขึ้น หรือสภาพเก่าเรือนหายสภาพใหม่ปรากฏคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่คงอยู่ในสภาพเดิมและความเปลี่ยนแปลงเป็นไปทั้งหมดนี้เป็นไปตามความสัมพันธ์ต่อกันของสิ่งทั้งหลายซึ่งมีที่พลต่อกันโดยเป็นปัจจัยแก่กันและกันนี่ก็สิ่งทั้งหลายก็คืเคลื่อนขมันไปเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาความเป็นไปทั้งหมดนี้ที่เป็นอย่างนี้ มันเป็นระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายที่เป็นปัจจัยต่อกันอย่างนี้ไม่มีใครมาเป็นผู้บังคับบัญชาไม่มีอะไรมาครอบครองมีอำนาจสั่งบังคับโดนบรรดาลให้มันเป็นไปนมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันของสิ่งทั้งหลายเองเพราะนั้นเราไม่ต้องไปหาตัวผู้บรดาจะให้เป็นหรอก หน้าที่ของเราที่จะหาตัวความจริงเพื่อจะปฏิบัติต่อมให้ได้คือไปจับตัวปัจจัยมันได้ถ้าเราจับปัจจัยมันได้เมื่อไหร่นั่นคือเรารู้เข้าใจมันแล้วเราจะปฏิบัติตอมได้ถูกต้องนั้นแทนที่ไปหาตัวผู้สร้างผู้บรรดาผู้กําหนดบังคับนี่ไม่ได้เรื่องจับให้ได้เนี่ยตัวปัจจัยอยู่ที่ไห น, นเอาละครับนี่ก็คือความจริงทั้งสิ่งทั้งหลาย น, น, นี้ ในเมื่อสิ่งทั้งหลายมีความเป็นไปอย่างนี้นะรวมทั้งชีวิตของเราด้วยเราก็จะต้องเข้าใจมันคือถ้าเราจะดําเนินชีวิตของเราให้ดีงามนะเราก็จะต้องปฏิบัติต่อมันให้เกิดผลดีซึ่งมันจะเป็นไปนตามเหตุปัจจัยนั้นะเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกตามให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยเนยะ แน่นอนว่าเราต้องการให้ชีวิตของเราได้ดีงามเราต้องการได้รับผลดีนี่ผลดีนั่นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเขามันเราไม่รู้เหตุปัจจัยเขามันแล้วเราจะไปทําให้เกิดผลดีได้อย่างไรแล้วก็ทําสุบสีส่ซุบห้าใช่ไหมปะเหมาะเคราะดีไปตรงเข้าเหตุปัจจัยที่ดีไปตรงเข้ามันก็เกิดผลดีทําไม่ถูกไม่ต้องอ่ามันก็เกิดผลเสียไม่สําเร็จผลดังนั้นทางที่ดีก็คือว่า เมื่อสิ่งทั้งหลายเริ่มแต่ชีวิตของเหล่านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง <c oughs> ก็ไปจับตัวปัจจัยให้ได้ไปมองระบบความสัมพันธ์ให้ได้และไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยนี้แหล ะ, ะอันนี้ก็กลับมาดูภาพรวมของความเป็นไปหรือความจริงอันนี้สถนการที่สิ่งทั้งหลายนี่มัน มีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นปัจจัยแก่กันนะมันปรากฏขึ้นในสภาพใหม่อย่างไรต้องอาศัยปัจจัยในระบบความสัมพันธ์ของมันนั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาอาการที่เป็นอย่างนี้มีสั์เรียกชื่อว่าอิทัปัจจยตาปฏิจจสมุป บ, บาทนะคือการที่สิ่งทั้งหลายมีความเป็นไปตามปัจจัยเพราะ ส, สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่เป็นไปตามปัจจัย และก็อาศัยปัจจัยในระบบความสัมพันธนะ์นั้นจึงปรากฏขึ้นมานะนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทรวมกันเรียกว่าอิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอาการที่ว่าภาวะอย่างนี้มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละคือมันเป็นของมันตามธรรมดาของมันไม่ใช่ว่ามีผู้สร้างผู้บันดาลผู้มามีอำนาจครอบครองสั่งบังคับอะไรการที่มันเป็นของมันอย่างนั้นหรือภาวะที่เป็นเช่นนั้นเองเราเรียกว่าต ะ, ะตานะ ตาตาตัวนี้ก็เป็นคําเรียกสัน้นๆซึ่งก็คืออิทัปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเป็นอีกชื่อหนึ่งหรือเป็นคําบรรยายของคําว่าอิทธปัจจยตาปฏิจจสมุปบาททีนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่ในระบบความสัมพันธ์ที่มันมี อิทธิพลต่อการเป็นปัจจัยกับการมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้มันไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้ท่านก็เลยให้คําจํากัดไว้อีกเพื่อให้แน่นเข้าสำทับเข้าไปว่าอวิฏฐาตาแปลว่าภาวะที่มันไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้นีไม่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นอย่างนั้นนะแล้วคำหนึ่งเขาเรียกว่าอนัญญาธาตาแปลว่าความไม่เป็นอย่างอื่นเพราะมันไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้แต่คําเหล่านี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องสนใจมาก พอรู้สัพท์ที่สําคัญก็คือคําว่าอิทัปจิยตาป จ, จิตจิตสมุบาทรองลงมาก็คือคําว่า ต, ตาตาส่วนควํ า, าว่าอวิตาตานันญาตาอะไรเนี่ยถือว่าเป็นคําบรรยายพิเศษเพิ่มขึ้นมาไม่จําเป็นต้องจำอันนี้ในความเป็นไปอย่างนี้นั้ น, นเราก็ไปดูรายละเอียดที่ความเป็นไปเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดเนี่ย มันมีอาการปรากฏขึ้นมานที่เราพูดไปแล้วก็มีอาการที่ว่ามันมีการเกิดขึ้นดับไปหรือว่าสภาพเก่าดับไปสภาพใหม่ปรากฏขึ้นเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่มีสิ่งไหนคงอยู่เรื่อยไปมันมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอาการเกิดดับนี่แหละทำให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปได้ถ้าไม่มีการเกิดดับสิ่งทั้งหลายเป็นไปได้ยังไงใช่ไอ่า นี่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นดับไปดับไปอาการที่มาเกิดขึ้นดับไปเป็นสภาพเก่าวรับหายสภาพใหม่ปรากฏเนี่ยเรียกว่าอนิจจงแปลว่าไม่เที่ยงหรือเรียกเป็นสัพท์เป็นภาวะเรียกว่าอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไป เ, เกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้าหากว่าจะดูความจริงให้ถึงที่สุดเนี่ยจะต้องมองให้เห็นความเกิดดับของสิ่งทั้งหลายเลย นักวิทยาศาสตร์ ต, ต่างๆก็พยายามที่จะค้นหาความจริงของความเปลี่ยนแปลงเนี่ ย, ยมาถึงการที่เกิดดับเกิดดับแต่ว่าไปเพ่งในแง่วัตถุอ้าวทีนี้ก็ภาวะที่มันไม่คงอยู่ในสภาพเดิมคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อันนี้ก็มีศัพท์เรียกว่าเป็นทุกเรียกว่าทุกขตานเรียกเป็นศัพท์ ธรรมดาก็เรียกว่าอนิจจังแล้วก็ทุกขังถ้าเรียกเป็นภาวะก็เรียกอนิจจตาทุกขตานะีนี่อาการที่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นไปตามภาวะของมันเองนะไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองบังคับสั่งมันได้นะเราเรียกว่าเป็นอนัตตา หรืออนัตตาอ่า น, นัตตก็เป็นภาวะนะเนี่ยคือมันมีความเป็นไปของมันตามความสัมพันธ์ของมันกับสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ต้องมามีเจ้าตัวผู้หนึ่งที่มาเป็นเจ้าของแล้วมาบังคับอยู่ต่างหาอ้าถ้าขืนมีแล้วก็มันกรยุ่งเลยไอ้ระบบความสัมพันธ์ความเป็นไปตามเหตุปจัจจัยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมกลายเป็นผู้มีมาสั่งไอ้เจ้าผู้สั่งบังคับโดนบรรดาล น, นี่ก็เออบอกไม่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยว่างั้นสิใช่ไหม เออมันก็ยุ่งกันใหญ่แนละเป็นไปไม่ได้นะมันไม่ได้มีตัวผู้สั่งผู้บังคับเจ้าของครอบครองตังหนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สามที่เรียกว่าอนัตตาหรือว่าเรียกเป็นภาวะอนัตตานะออการที่ว่ามันไม่มีเจ้าขอ ง, บ, งบังคับครอบครองสั่งบันดาลมันเป็นไปตามสภาวะของมันเนี่ยมันดำรงอยู่เป็นไปตามสภาวะของมันเนี่ย เช่นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นตน้นอย่างก็สังขารทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้เป็นไปตามความสั่งบังคับความปรารถนาของใครทั้งสิน้นะเป็นอนวันนี้ได้ลักษณะสมลักษณะสมอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรียกให้เต็มว่าอนิจจตาทุกขตาณตาตาเนี่ยท่านเรียกว่าไตรลักษ์ไนะตรกสามลักษก็คือลักษณะลักษณะสมประการ ลักษณะประการของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนอันนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในทีน่นี้เราเรียกว่าธรรมทีนี้ธรรมะนี้ก็มีการแยกกันไปอีกอย่างง่ายๆก็เป็นสองส่วนหรือสองประเภทก็คือว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดจากปัจจัย ปรุงแต่งหรือว่ามีความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสังขารนะแล้วก็มีภาวะอย่างหนึ่งที่ธรรมะคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเพื่อจะให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นก็แบ่งเป็นสองประเภทคือสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งหรือว่าเป็นไปนตามปัจจัย ขึ้นต่อสิ่งอื่นๆที่เข้ามาสัมพันธ์เนี่ยเรียกว่าสังขารทีนี้มีภาวะอยู่อย่างหนึ่งซึ่งไม่ขึ้นต่อปัจจัยต่างๆมาอยู่ในระบบความสัมพันธ์ที่จะต้องขึ้นต่อสิ่งอื่นท่านเรียกว่าวิสังขารได้แก่นิพพานมีภาวะอันนี้อันเดียวที่ไม่ขึ้นต่อปัจจัยนะ ถ้าใช้สับหนึ่งก็สังขารนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังคตธรรมและก็วิสังขารหรือนิพพานนั้นเรียกว่าอสังคตธรรมสังขารก็แปลว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาสังคตธรรมก็เช่นเดียวกันก็แปลว่าธรรมที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นส่วนคําว่าวิสังขารก็ปราศจากการปรุงแต่งอสังคตธรรมก็ธรรมะที่ไม่ถูกปรุงแต่ง อันนี้ที่ว่ามีลักษณะสามนี้จะเห็นว่าอันใดที่มันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยอันนั้นเรียกว่าสังขาร น, นั้นพวกนั้นนั้นจะมีภาวะที่ไม่เที่ยงคือเกิดดับเกิดดับแล้วก็ไม่คงอยู่ในสภาพเดิมก็ ค, คือมีความเปลี่ยนแปลงนั่นเองอั น, น้นพวกนี้ทั้งหมดเป็นสังขาร แต่ส่วนอสังขต ธ, ธรรมหรือวิสังขารเนี่ยเพราะไม่เป็นไ ป, น ป, นปนตามเหตุปัจจัยน่ยไม่ขึ้นต่อสิ่งอื่นในระบบความสัมพันธ์ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ขึ้นไม่อยู่ในภาวะที่ว่าตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้น่ยก็คือปราศจากหรือพ้นจากภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังน่ยแต่มันก็ยังมีภาวะ อันหนึ่งร่วมกันอย่างอื่นก็คือว่าดำรงอยู่ตามสภาพของมันเองใช่ไมไม่มีใครมาเป็นเจ้าของบังคับครอบครองสั่งโดนบันดาลได้นี่ะฉนนั้นทั้งสังฆธรรมและอสังฆธรรมหรือทั้งสังขารและวิสังขารเนี่ยจะมีลักษณะร่วมกันทั้งหมดก็คือเป็นอนัตตานะย้ำอีกทีว่าอนัตตาก็คือภาวะที่ว่าดำรงอยู่ตามสภาพ ของมันเองถ้าว่าเป็นสังขารก็จะเป็นไปตามสภาพของมันด้วยเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ว่าสําหรับนิพพานเราจะพูดว่าดํารงอยู่ตามสภาพของมันโดยไม่มีใครมาเป็นเจ้าของครอบครองสั่งบังคับโดนบันดาลนะอันนี้ในเมื่อทั้งสังขารและวิสังขารทั้งหมดเนี่ยนะ คือทั้งธรรมที่เป็นสังขารและธรรมที่เป็นวิสังขารหรือทั้งสังฆธรรมและสังฆธรรมมีลักษณะร่วมกันอย่างเงี้ยนั้นจะใช้คำว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือครุมหมดเลยอันนี้ถ้าพูดว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนิจจังด้วยก็จะเกิดปัญหาว่าเอ๊กก็นิพพานที่เป็นอสังฆธรรมหรือวิสังขารนั้นมันพ้นจากอนิจจังเนี่ยก็จะเกิดความผิดพลาด เพราะนั้นก็เลยต้องพูดให้จำกัดลงมาว่าสังขารทั้งปวงหรือสังคตธรรมทั้งปวงหรือธรรมที่เป็นสังคตธรรมที่เป็นสังคตะธรรมที่เป็นสังคตะก็คือธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นอันจังแล้วก็ทุกขังไม่คงอยู่นสภาพเดิมนะเพราะฉะนั้นสองข้อแรกนี่ใช้คําว่าสัพเพสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงพอเพื่อจะกันนิพพานออกไปกันกัสังคตธรรม แต่ที่จริงจะพูดให้เต็มก็คือทำทั้งปวงที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมจำกัดอยู่แค่นั้นหรือจะพูดอีกศัพท์นึงก็สังคตธรรมทั้งปวงสังคตธรรมทั้งปวงนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขงังนะมีการเกิดดับแล้วก็ไม่คงอยู่สภาพเดิมส่วนนิพพานนั้นอยู่ในาธรรมทั้งปวงรวมทั้งสังคตธรรมและสังคตธรรมอันนั้น เป็นอนัตตาเพราะดำรงอยู่ตามสภาพของมันนะแล้วก็ไม่มีเจ้าของครอบครองบังคับสั่งการโดนบันดาลได้ไม่เป็นไปในอำนาจของใครว่างั้นเถอนะนิ่พานไม่เป็นไปในอำนาจของใครเท่านั้นนะีหรือแม้สังขารทั้งหลายก็เหมือนกันอันนี้เป็นสภาพที่เหมือนกันนะไม่มีใครมาสั่งบังคับได้เท่านั้นนะีย นะ อ, อ้าวก็นิพพานกับพ้นภาวะไม่เทีย่ยงก็เทีย่ยงสิแล้วก็พ้นภาวะทุกขจะเรียกว่าเป็นสุขก็ได้อเอาเป็นว่าลักษณะสามอย่างหนึ่งไม่เทีย่ยงเกิดดับเกิดดับสองเป็นทุกข์ไม่คงอยู่ในสภาพเดิมนะหรือไม่คงอยู่ใ น, ในสภาพนั้นนั้นคงอยู่ในภาวะนั้นไม่ได้แล้วก็สามอนัตตา แปลว่าไม่มีเจ้าของครอบครองสั่งบังคับดำรงอยู่ตามสภาพของมันนะก็สังขารทั้งหลายทั้งปวงหรือสังคตรธรรมทั้งปวงนั้นได้ขอ้อ1และข้อ2นะเป็นอนิจจังทุกขงังแล้วข้อสด้วยสุนิพานนั้นเป็นเฉพาะอนัตตาข้อสอย่างเดียวจึงพูดว่าสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงคือสังฆตรธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขขาสังขาร หรือสังฆตรธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์ดำรงอยู่สภาพเดิมไม่ได้และสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งปวงคนนี้หมดเลยนะทั้งสังคตรธรรมแลสังคตรธรรมเป็นอนัตตาก็คือว่าไม่เป็นตัวเป็นตนไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครอ ง, รองสั่งบังคับโดนบันดาลได้ดำรงอยู่ตามสภาพของมันคําว่าดำรงตามสภาพของมันเนี่ย ถ้าเราใช้กับสังขตธรรมเราสามารถพูดขยายไปว่าเป็นไปตามสภาพของมันคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่มีใครมาสั่งบังคับนอกเหนือจากนั้นเอานะฮะไปอ่านว่าครบและนี่ก็คือเรื่องของไตรลักษณ์เนี่ยเราก็อยู่กับความเป็นจริงอันเนี้ยนความเป็นจริงของความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายเราอยู่ในโลกชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างเนี้ย เมื่อเราอยู่กับความเป็นจริงที่ียกว่าธรรมะอันเนีนะ้มีความเป็นไปอย่างเนี้ยก็บอกแล้วว่าชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนี้เราดำรงชีวิตทามกลางสิ่งเหล่านี้เราจะให้ชีวิตของเราดำเนินอยู่ได้ดีเป็นไปได้ดีได้รับผลดีจากสิ่งต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติต่ตอมันให้ถูกต้องมันเป็นไปอย่างไงมีภาวะความจริงอย่างไงเราต้องรู้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักความจริงนั้นเพราะฉะนั้นความจริงเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นนั้น หน้าที่ของเราก็คือว่าเอาทํำยังไงจะได้รู้เข้าใจมันแค่นี้ว่าตอนนี้เรามาดูว่ามนุษย์เมื่อไปสัมพันธ์กับความเป็นจริงอันเนี้ยการสิ่งทั้งหลายพร้อมทั้งความจริงของมันตั้งแต่ชีวิตของตนเป็นเป็นต้นไปเนี่ยมนุษย์มีความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อมันอย่างไรเราดูตั้งแต่การสัมพันธ์ที่ถูกและไม่ถูกความสัมพันธ์ที่ผิดในย้อนกลับไปดูภาวะความเป็นจริงของมันในเมื่อสิ่งทั้งหลายเนี่ย มันเป็นไปอย่างเนี้ย น, นี้มนุษย์นี่มีอันหนึ่งก็คือว่ามีความต้องการใช่มมนุษย์มีความปรารถนาอันนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยมนุษย์มีอันหนึ่งก็คือความปรารถนาหรือความต้องการอานี้ต้องการอะไรล่ะต้องการให้ชีวิตของตนดีต้องการความสุขต้องการอะไรกันเล่ยรู้วที่มันดีๆผลดีกับตนเองมีความปรารถนาอันนี้อันนี้ก็ต้องการให้สิ่งทั้งหลายเนี่ย มีความเป็นไปอย่างที่ตัวปรารถนาใช่ไหมนี่มนุษย์ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีความต้องการมีความอยากความปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ความจริงของมันที่มันจะปรากฏสำคัญแก่มนุษย์ก็คือความเป็นไปที่ว่าการที่มันเป็นไปก็มัเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นหรอกอนี้มนุษย์นมีความต้องการ อยากให้มันเป็นไปในภาวะที่ตัวอยากให้เป็นทีนี้สิ่งทั้งหลายมันก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันหรือเป็นไปตามภาวะสัมพันธ์ของมันเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในสภาพที่ตรงกับความปรารถนาของมนุษย์นี่ตอนนี้แหละความสัมพันธ์กับมนุษย์นี่แหละเรื่องของมนุษย์ที่เข้าไปสัมพันธ์กับสิ่ ง, งต่าง ก็คือสิ่งทั้งหลายก็มีความเป็นไปของมันมีความจริงของมันมนุษย์ก็มีความต้องการพอไปเจอกันอันนี้ความต้องการกับความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะเริ่มมีทางที่จะไม่สอดคล้องกันได้แหละนะก็คือว่าสิ่งทั้งหลายมีความเป็นไปของมันซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นมันจะไม่คงอยู่ในภาวะนั้นนั้น แต่มนุษย์ต้องการภาวะอย่างหนึ่งที่ตัวจะให้สิ่งนั้นเป็นใช่อันนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในภาวะนั้นไม่คงในภาวะนั้นมนุษย์ไม่ได้ตามต้องการมนุษย์จะเกิดอะไรขึ้นดันเรียกว่าทุกข์เกิดความรู้สึกบีบคั้นติดขัดครับข้องภาษาพระเรียกว่าทุกข์ถ้ามองในแง่นี้แล้วก็คือการที่ สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันหาได้เป็นไปตามปรารถนาของมนุษย์ใหม่ถูกหอันนี้เพราะฉะนั้นความต้องการของมนุษย์ก็จะถูกขัดขวางถูกบีบถูกขัดแย้งเรื่อยอะนนั้นเมื่อมองในแง่นี้แล้วสิ่งทั้งหลายนี้มันอยู่ในภาวะที่จะก่อให้เกิดอาการนี้ได้เสมอเลยใช่คือตัวมันเองมัน เกิดดับมันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นตลอดไปภาวะนี้ก็เรียกว่าทุกข์ของมันตามสภาพไม่เกี่ยวกับเรานะมันเป็นของมันเองมันไม่คงในสภาพนั้นทีนี้พอมาสัมพันธ์กับมนุษย์มนุษย์มีความต้องการมนุษย์ต้องการภาวะอันหนึ่งที่ให้สิ่งนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นไปของมันมันก็ไม่สามารถจะอยู่ในภาวะที่เราต้องการภาวะที่มันไม่อยู่ใน สภาพเดิมของมันนั้นซึ่งเป็นทุกข์ของมันเนี่ยจะมาเป็นอาการในจิตใจของมนุษย์เรียกว่าทุกข์ในใจของมนุษย์เลยถูกไหมเนี่ยเพรนั้นสิ่งทั้งหลายตัวเด่นของมันอาการปรากฏก็ค <acement Grade> ือการที่มันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆอันเนี้ยที่เราเรียกความเปลี่ยนแปลงนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ตัวปรากฏแก่มนุษย์คือทุกข์นะภาวะของสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏแก่มนุษย์คืออาการที่มันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆ เราจะเรียกความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็เป็นศรรพัพท์รวมๆเรามักจะเอาคําว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เปหมายถึงอนิจจังที่จริงอนิจจังมันยังไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะเกิดดับเกิดดับนะแล้วก็ไม่คงในภาวะนั้นเราเรียกรวมว่าความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมทั้งอนิจจังทุกขังเนี่ยเรียกรวมว่าความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะโยงไปหาหน้าตา ด, ด้วยในแงว่ว่ามันเป็นไปตามภาวะของมันในแง่ที่สังขารทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็อันว่าไอ้ตัวเด่นเวลาปรากฏแก่นมนุษย์เนี่ยอนิจจังทุกขังนัตตาเนี่ยสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏแก่นมนุษย์ภาปรากฏในภาวะที่มีความเป็นไปไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆใช่ไหมแล้วไอ้อาการที่มันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนี่ยมาสัมพันธ์กับความปรารถนาความต้องการของมนุษย์ขึ้นจะเกิดความขัดแยง้งพอเกิดความขัดแย้งขึ้นก็จะเกิดอาการ เป็นการไม่ได้ตามปรารถนาขัดแย้งต่อความปรารถนาของมนุษย์เรียกว่าทุกข์อีกขั้นหนึ่งทุกข์ในใจของมนุษย์ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายมองในแง่นี้แล้วเป็นสภาพที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ได้ทั้งสิน้นถูกไหมวงเล็บว่าหรือมีเงื่อนไขว่าถ้ามนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเอาความปรารถนาของตนเข้าไปยึดเนี่ย การที่มนุษย์มีความอยากต้องการอย่างนี้เป็นความอยากความปรารถนาโดยเกิดมาจากความอยากในใจไม่มีเหตุมีผลอะไรนั่นอยากจะให้เป็นอย่างที่ฉูกจอยชอบใจไอ้ความอยากประเภทนี้เรียกว่าตัณหานเป็นความอยากที่ไม่ต้องมีเหตุมีผลอะสักแต่ว่าชอบใจพอใจถูกใจอันนี้ พออยากแล้วมันก like <Eden> ็ยึดอยากจะต้องให้เป็นอย่างนั้นให้อยู่ในภาวะอย่างนี้การที่ว่าจะต้องให้อยู่ในภาวะอย่างนี้อยู่ในภาวะที่ตนปรารถนานี้เรียกว่าอุปาทานนะนอยากให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการก็ยึดว่ามันจะต้องอยู่ในภาวะที่เราต้องการนี้นี่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานแป้วาความยึดมั่นก็คือความอยากที่แรงขึ้นมาเป็นความยึดว่าจะต้องเป็นอย่างเนี้ย เอานะครับนี่ภาวะจิตที่สําคัญของมนุษย์อุปาทานสิ่งทั้งหลายมีความเป็นไปของมันนะไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปไมนุษย์ก็จะให้มันอยู่ในภาวะอันหนึ่งที่ตัวต้องการให้มันได้มาเกิดความขัดแย้งนี่มันก็เกิดความกระทบกระทั่งบีบคั้นขัดแย้งกันขึ้นนะอันนั้นไอ้ตัวความยึดจะให้เป็นให้ได้จากตัณหามาเป็นอุปาทานเนี่ย ไอ้เจ้าอุปาทานนี้พอเข้าไปสัมผันธ์กับสิ่งทั้งหลายก็ทําให้มนุษย์เกิดภาวะที่เรียกว่าทุกข์ขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์เข้าไปยึดไปถือเรียกว่าด้วยอุปาทานนี้ก็จะทําให้เกิดทุกข์ได้ทั้งสิ้นทุกข์ในใจตัวเองจากทุกข์ที่มันมีอยู่เองมันตามธรรมชาติก็เกิดเป็นทุกข์ในใจมนุษย์ใช่ไหมทุกข์ในธรรมชาติเป็นอาการปรากฏลักษณะเด่นของสิ่งทั้งหลายต่อมนุษย์คือมันไม่คงอยู่ในภาวะเดิมไปเรื่อย ทีนี้ก็เมื่อมนุษย์เข้าไปสัมผันธ์ก็เอาความต้องการความอยากและก็ความยึดความหมายมั่นของตนเข้าไปสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดอาการเป็นทุกข์ในใจของมนุษย์ไม่ได้ตามปรารถนาเกิดความบีบขั้นขัดแยงนะ้งฝืนความปรารถนาเนะี่ยมันไม่อยู่ในภาวะที่เราต้องการใช่ไหมอันนี้เมื่อพูดอย่างนี้เราก็พูดถึงสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนะ่ยที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องว่าตัวมันเองมันเป็นทุกข์ แล้วสำหรับมนุษย์มันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คือหมายความว่ามันมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดทุกข์แก่มนุษย์ได้เบยมีเงื่อนไขว่าเมื่อมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอุปาทานใช่ไหมฮะเอานะอังนั้นนี่คือสิ่งแรกที่มนุษย์จะต้องเข้าใจเลยว่าในการเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆนั้นเราจะสัมพันธ์อย่างไรจรึงถูกต้องถ้าเราเข้าไปสัมพันธ์ด้วยความอยากความต้องการของเรา มันก็จะมีลักษณะเป็นตัญหาแล้วก็อุปาทานตามมาแล้วก็จะได้ซึ่งความทุกข์ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเราไม่รู้เข้าใจความจริงของมันถูกไหม <c oughs> การที่เราจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้เกิดผลดีกับชีวิตบอกแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามธรรมนั้นเราจะมาเอาแต่ความอยากความปรารถนาของเราไม่ได้หน้าที่ของเราที่จะทาที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดี บอกแล้วว่าจะต้องทำให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของมันที่มันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเป็นต้นจะทำไงให้สอดคล้องได้ให้เกิดผลดีก็ต้องรู้เหตุปัจจัยนั้นรู้ความจริงเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากการที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายด้วยตันหาอุปาทานเปลี่ยนเป็นเอาปัญญาเข้ามาใช่ไหมเราบอกแล้วว่าไอ้เจ้าตันหาปราทานนี่เอาความอยากความยึดเขาว่า มันไม่ได้เกิดจากปัญญาไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นมันมาจากตัวสําคัญที่เป็นฐานรองรับอยู่คืออวิชชาความไม่รู้ดังนั้นถ้าสืกบก้นบึ้งลงไปจากตันหาปาฐานก็คือมีอวิชชาความไม่รู้แล้วไปสัมผัสเอาแต่อยากเอาแต่ยึดจะใจ ห, หมายมั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่รู้เข้าใจเลยนี่เพราะฉะนั้นอวิชชาตันหาปาฐานก็มาเข้าชุดกันนี่เพราะฉะนั้นก็เราก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่ ว่าเออเราจะต้องการให้เกิดผลดีกับชีวิตดําเนินชีวิตให้ได้ผลดีนะสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นธรรมชาติเข้ามาอย่างเงี้ยมันเป็นไ ป, นปนตามธรรมคือความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยมีการที่เกิดดับไม่คงอยู่ในภาวะเดิมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอยู่เสมอนะเราก็ต้องรู้เท่าทันความจริงเข้ามาอันนีนะ้แล้วเสร็จแล้วเมื่อรู้เข้าใจความจริงแล้วนะ เ, เราต้องการจะให้เป็นยังไงเรากําหนดความต้องการอย่าไปอยู่ใต้อำนาจความต้องการแล้วก็ไปศึกษาเหตุปัจจัย ใชศึกษาเหตุปจัจจัยจับเหตุปัจจัยได้เราก็สามารถปฏิบัติต่ตอมันให้เกิดผลดีตามที่ต้องการนี่เรียกว่าเป็นการสัมผันธ์ด้วยปัญญาก็เปลี่ยนจากการที่ว่าสัมพันธ์ได้ตัณหารวมทั้งอุปาทานและอวิชชาด้วยเนี่ยมาเป็นความสัมพันธ์ด้วยปัญญาความสัมพันธ์ด้วยปัญญาก็จะทําให้เกิดผลที่ดีแก่เรา ก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าเราเป็นอิสระจากการที่ว่ามองสิ่งทั้งหลายเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นไ ป, นปนตามเหตุปัจจัยเขาเหมันมันจะเป็นยังไงก็ขึ้นต่อเหตุปัจจัยนั้นมันไม่ขึ้นต่อความปรารถนาของเราเนี่ยเราจะพ้นจากอำนาจความอยากหรือตัณหาของเราได้คือเราจะไม่ปล่อยใจของเรา ให้มันขึ้นต่อไอ้ตัวความอยากพอเราตัวของเราพ้นจากความอยากมาได้อยู่ได้ปัญญามองตามความเป็นจริงก็จิตใจก็เริ่มเป็นอิสระตั้งท่าทีที่เป็นอิสระขึ้นมาได้น่ะเสร็จแล้วพอมีท่าทีเป็นอิสระแล้วก็ก็อย่างที่รู้แล้วนี่ว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยข้ามันจะทำไงก็ทำไปตามเหตุปัจจัยศึกษามันก็เข้าไปศึกษาเหตุปัจจัย จับเหตุปัจจัยให้ได้แล้วทําที่เหตุปัจจัยแก้ไขาตามเหตุปัจจัยได้แค่ไรก็แค่นั้นตามเหตุปัจจัยใช่ไหมก็ต้องมาพัฒนาตนอยู่เรื่อยสิเพราะฉะนั้นเราจะรู้เข้าใจเหตุปัจจัยจะทําการให้สําเร็จตามเหตุปัจจัยเราก็ต้องพัฒนาตัวเราตัวสําคัญก็คือพัฒนาปัญญาเนี่ยขึ้นมาให้มีปัญญารู้เข้าใจความจริงมากขึ้นแล้วเราก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นถูกต้องก็ได้ผลขึ้นมาน อันนี้อันนี้ก็หลักการใหญ่ก็มีสองอันแล้วนะหนึ่งมีท่าทีที่เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อตันหาของตนเองเพราะท่าทาีการมองตามความจริงเนี่ยทำให้จิตใจเป็นอิสระอยู่แล้วนั่นก็จะพ้นจากเรื่องของความทุกข์การที่สิ่งทั้งหลายจะไม่คงอยู่ภาวะนั้นตามปรารถนามันไม่มีไอตัวความปรารถนาบบังคับตัวเองเราไม่ขึ้นต่อความปรารถนาเราก็พ้นจากความทุกข์ไปได้ขั้นหนึ่งอันนี้ สองก็คือเอาปัญญามาใช้ในการที่ศึกษาเหตุปัจจัยปฏิบัติกรรมนตามเหตุปัจจัยก็จะทำการนั้นได้ผลดีขึ้นอันนี้เมื่อได้ผลได้แค่ไหนก็ตามเหตุปัจจัยเราก็รู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อทำไปแล้วได้ผลไม่ได้ผลเราจะไปโยงเข้ากับเรื่องความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้ตามที่ต้องการหรือทุกข์น้อยนี่การที่จะทาให้ได้ผลดีนี้ก็ เราจะต้องมีความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยบอกแล้วว่ามันอยู่ในระบบความสัมพันธ์กันเมื่อมันอยู่ในระบบความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งทั้งหลายสัมพันธ์สัมพันธ์กันออกไปเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งนี้ในด้านนี้แต่พร้อมกันนั้นไอ้เจ้าสิ่งที่ไปสัมพันธ์นั้นมันก็สัมพันธ์กับสิ่งอื่นอีกพอทําอะไรไปกระทบต่อไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ส่งผลกระทบจต่อตัวโน้นต่อต่อต่อกันออกไป นอกจากนั้นพอไปทํากับไอ้ตัวนี้อย่างนี้แล้วนะอีกด้านหนึ่งของเราเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์กับอื่นอีกเยอะแยะนะพอความสัมพันธ์กับอันนี้อย่างนี้ไอ้ความสัมพันธ์กับอื่นของเราก็เปลี่ยนด้วยนะโดยเราเป็นไปเองเลยเพราะเราสัมพันธ์กับสิ่งนี้อย่างนี้ไอ้ความสัมพันธ์ของเราที่ที่มีต่อสิ่งนี้อย่างนี้ก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับอีกสิ่งเลย่นั้นผลมันจะเกิดขึ้นจากหลายด้านในระบบความสัมพันธ์ นั้นในการที่จะทำอะไรให้ได้ผลดีเนี่ยเราต้องตระหนักความจริงอันนี้คือมองระบบความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางทั่วถึงที่สุดนั้นจะต้องมองกว้างถ้าเรามองเฉพาะตัวสัมพันธ์เช่นปัจจัยตัวเดียวเนี่ยอาจจะเกิดผลพ่วงอย่างอื่นได้ผลอันนี้ที่ต้องการในขอบเขตอันหนึ่งแต่ปรากฏว่าผลพ่วงอื่นตามมาซึ่งอาจจะเกิดเป็นผลร้ายไม่คุ้มกับผลดีที่เกิดกันได้ อันนั้นก็จะต้องมองให้กว้างมองให้ทั่วถึงระบบความสัมผัสเท่าที่เป็นไปได้อย่าคิดมองแคบๆเอาแค่เหตุปัจจัยอันเดียวนี่ก็เป็นหลักการอันหนึ่งในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอั น, นั้นท่านจึงให้หลักในการพัฒนามนุษย์อย่างเร่งใจศิขาเนี่ยที่มันเป็นภาพรวมความสัมผัสทั้งระบบของชีวิตใช่ไหมไม่ใช่เป็นพัฒนาแต่ด้านใดด้านหนึ่ง เราต้องมองว่าออพฤติกรรมจิตใจและปัญญาในสัมพันธ์กันทั้งหมดนะอะไรงี้ยเป็นต้นนั้นจะต้องมองระบบความสัมพันธ์ให้กว้างให้ทั่วถึงเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งอันนี้ถ้าขึ้นต่อการพัฒนาปัญญาของเราด้วยและอีกอันหนึ่งก็คือว่ามองการปฏิบัติของเราในระบบความสัมพันธ์นี้ในด้วยเจตํานงความตั้งใจในทางที่ดีในทางเกื้อกูลอย่าไปมองในแง่ทําลายหรือเป็นปฏิปักษ์อันนี้ก็สําคัญเหมือนกัน เมื่อเรามองในแง่ของการที่จะเป็นปฏิปักษ์จะไปจัดการกับมันให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราอะไรงี้นะคล้ายๆว่ามองในท่าทีที่ว่าไปทำลายมันหรือทำร้ายอันเนี้ยจะส่งผลในระบบเหตุปัจจัยที่ว่าบางทีไม่รู้ตัวตัวเองจะได้ผลที่ต้องการอันนั้นแต่เกิดผลร้ายอื่นๆนั้นในขณะที่เรายังมอง ความสัมพันธ์ในระบบเหตุปัจจัยไม่ต้องอาศัยข้อถึงเนี่ยความปลอดภัยก็คือการพยายามปฏิบัติในความสัมพันธ์ในการทําเหตุปัจจัยในลักษณะที่เป็นไปทางเกื้อกูลอันนี้จะปลอดภัยที่สุดใช่ไหมฮอันนั้นก็ตั้งจิตในการปฏิบัติในระบบเหตุปัจจัยในทางเกื้อกูลอันนี้เราจะมองเห็นว่ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีความเจริญด้วยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่ทําให้มนุษย์ค้นพบ ความจริงในระบบเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายนแต่ว่าเป็นด้านวัตถุก็ทำให้มนุษย์มีอำนาจมีความสามารถไปทำให้เกิดผลที่ต้องการได้ใช่ไหมนี่ก็เข้าหลักการในเรื่องธรรมะเนี่ยก็คือพอรู้เหตุปัจจัยและไปจัดการกับเหตุปัจจัยนั้นแต่ว่ามนุษย์ไม่รู้ความสัมพันธ์ทั้งระบบเนี่ยพอทำไปแล้วเกิดผลท่วงทีร้ายแต่ว่า ตัวสำคัญก็คือมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยท่าทีของจิตใจที่เป็นปฏิปักษอย่างตะวันตกทั้งหมดมีแนวคิดว่าจะพิจิตธรรมชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันสูญเสียไอตัวหลักหลักประกันที่จะช่วยเกิดความปลอดภัยนี้ไปเพราะมันไปสัมพันธ์ในความตั้งใจท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์นั้นเพื่อให้เราปลอดภัยในขณะที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจทั่วถึงระบบความสัมพันธ์เนี่ยให้สัมพันธ์ด้วยเจตนาดีเกื้อกูล นะกระทาต่อสิ่งทั้งหลายในระบบความสัมพันธ์ในลักษณะด้วยเจตจานงที่ตั้งใจดีให้เกิดหนุนต่อการเพื่อผลดีกัเราในขณะที่ให้เกิดผลดีกับสิ่งเหล่านั้นด้วยอันนี้จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งอื่นๆที่ย้อนกลับมาหาเราซึ่งเราไม่รู้มันก็จะเกิดเป็นในทางผลดีมากกว่าใช่ไหมอา้าวก็ไปอ่านว่าได้หลักปฏิบัติ4ี่อันแล้วนะฮะ ในระบบความสัมพันธ์ความเป็นไ ป, นปนตามเหตุปัจจัยเรื่องของสิ่งทั้งหลายที่เป็นความจริงเป็นพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขอังอ น, าานัตตนีหนึ่งก็คือการมีท่าทีของกิตใจที่เป็นอิสระด้วยการที่ไม่เอาตัวเข้าไปอยู่ใต้อํานาจความปรารถนาหรือตัณหาอุปาทานให้มีท่าทีของปัญญาการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าอย่างน้อยมีท่าทีที่ เป็นหลักการที่ยึดถือไว้เป็นสัมมาทิฏฐิว่าเออสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะไม่ได้เป็นไปตามความอยากความปรารถนาความยึดมัน่นหมายมั่นของเรานะหนึ่งละได้ท่าทีที่เป็นอิสระเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น2ก็คือว่าอา้าวเข้าไปศึกษาและปฏิบัติที่เหตุปัจจัยตามเหตุปัจจัยนี่ทําการและภาคปฏิบัติ อันที่1 น, นี้ได้ความรู้เท่าทันมีธาตุถีเป็นอิสระ 2. ภาคปฏิบัติการเข้าไปทําตามเหตุปัจจัยให้ตรงเหตุปัจจัยก็จะเกิดผลดีขึ้นตามที่เราต้องการได้ด้วยและจิตใจของเราก็ไม่มีทุกข์ด้วยนะเท่าไรก็เท่านั้นตามเหตุปัจจัยนะสองปฏิบัติการลนะสามนะในการปฏิบัติการอย่างนี้ให้เข้าใจว่าระบบความสัมพันธ์นี้ มันไปมีความเกี่ยวเนื่องโยงกันมากมายกว้างขวางเพราะฉะนั้นมองกว้างมองกว้างว่าอย่าเอาเฉพาะแคบแคบแค่ปัจจัยอันหนึ่งอันเดียวระบบความสัมพันธ์นี้กว้างขวางมองให้กว้างไว้อันที่สามนี่มองระบบความสัมพันธ์ให้กว้างขวางทั่วถึงเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วมันจะมากระตุ้นให้เราต้องศึกษาเหตุปัจจัยให้กว้างขวางขึ้น แล้วก็สี่ในการปฏิบัติการนั้นต้องตั้งใจตั้งเจตจำนงให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปนในทางที่มุ่งเกื้อกูลเกื้อหนุนไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์หรือทำลายทำลายนะก็ได้หลักสี่ประการทีนี้ย้อนกลับไปพูดถึง ความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายที่เป็นความจริงอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเหล่าเนี้ยนะมันเป็นความจริงที่เป็นกลางๆนะมันก็เป็นเขาเมันอย่างนั้นมันไม่ดีไม่ ด, ไมดีไม่ชัว่วนะไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไ ป, งปอย่างนี้มันจะดีหรือเปลี่ยนแปลงไ ป, งปอย่างนีง้จะชั่วหรือแม้แต่จะเลวหรือเสื่อม สิ่งทั้งหลายที่เป็นตัวความจริงมันก็เป็นไปเข้ามาตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นนะดีหรือชั่วจเจริญหรือเสื่อมไม่มีมันปรากฏขึ้นในความยึดในความอยากและเรื่องของความคิดของมนุษย์ว่ามันดีมันชั่วหรือมันจเจริญมันเสือ่อมใช่ไหมเมื่อเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้ มันก็ปรากฏผลออกมาอย่างเงี้ยนะเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าธรรมชาติเสื่อมโทรมนะต้นไม้หายไปต้นไม้ถูกตัดนะเราเรียกว่าธรรมชาติเสื่อมโทรมนี่สายตามนุษย์นะ่มองความจริงอะไรมันเสื่อมอยู่ที่ไหนนะใช่ั้มมันก็มีแต่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย <c oughs> เมื่อมีการทำเหตุปัจจัยให้ต้นไม้หมดต้นไม้ก็หมด เมื่อต้นไม้หมดก็เกิดภาวะอื่นที่การขาดต้นไม้เป็นปัจจัยเช่นให้เกิดความร้อนความแรงหรือน้ำท่วมเกินไปอ่ะมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็เป็นภาวะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือแม้โลกนี้มันจะพินาศมันก็เป็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นนะใช่ไหมมันก็ปรากฏในรูปอื่นเนถ้ามนุษย์ไม่มีไม่มีมนุษย์มา ไอ้ความเสื่อมความเจริญนี่ไม่มีความหมายใช่ไหมมันก็เป็นความเป็นไปนตามเหตุปัจจัย<ช>ทีนี้ไอ้ที่มันเสื่อมมันเจริญมันดีมันชัว่วมันมีเป็นความหมายสําหรับมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์มองตีความหมายขึ้นมาเพราะมีผลต่อตัวเองตามที่เกี่ยวกับความต้องการหรือผลดีต่อชีวิตของตนเองเป็นตน้นแม้แต่มนุษย์ไม่มีมันก็ไม่เป็นเสื่อมเจริญใช่ไหมมนุษย์ไม่มีก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นแหละธรรมชาตินี่ไม่จําเป็นต้องมีมนุษย์นะเออ ดัง น, นั้นธรรมชาติมันเสื่อมโทรมก็หมายความว่ามันไม่เป็นผลดีต่อมนุษย์ใช ม, มันก็มีแต่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเรื่อยไปไม่มีเจริญไม่มีเสื่อมทั้งสิ้นไม่มีดีมีชั่วดีชั่วนี่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ตั้งความหมายให้มันนะี่ดังนั้นถึงมันจะเรียกว่าจเจริญนีนะ่มันก็คือความเปลี่ยนแปลงมันจเจริญยิ่งขึ้นไปนก็เป็นความเปลี่ยนแปลง มันเสื่อมมันก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเสื่อมต่อไปก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นมนุษย์นึกว่าเจริญแล้วเสื่อมคือเปลี่ยนแปลงเสื่อมแล้วเจริญเปลี่ยนแปลงเปล่าไม่ถูกนะเสื่อมแล้วก็เสื่อมต่อไปก็เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละเจริญแล้วเจริญต่อไปก็เปลี่ยนแปลงเจริญแล้วเสื่อมก็เปลี่ยนแปลงเสื่อมแล้วเจริญก็เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์นะสำหรับคําว่าเจริญว่าเสื่อมนะมันดีมันชั่วก็ดีต่อมนุษย์ ตรงปรารถนามันก็วัดดีไม่ตรงปรารถนาก็ว่าไม่ดีว่าชั่วนี่คือเรื่องของความเป็นจริงในธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือมีภาวะที่เป็นกลางๆของมันอย่างนั้นนะแต่คำว่าไม่ดีไม่ชั่วกับคำว่าไม่มีความดีไม่มีความชั่วคนละอย่างนะครับนะความดีความชั่วมี ไม่ใช่ไม่มีมันกลายเป็นสภาวะไอสภาวะนี้ต้องมาพูดอีกระดับหนึ่งคือในแง่ของมนุษย์มันก็มีความจริงในความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์ตอนนี้เราก็จะมาพูดในระดับที่ว่าเออมันดีมันชั่วภาวะในจิตใจของมนุษย์เองที่ว่าเป็นคุณสมบัติเกิดมีขึ้นมาแล้วมันก็เกิดผล นะในทางที่เกื้อหนุนอย่างนี้นะในตัวของเราเองภาวะอันนั้นเราก็เรียกว่าดีถ้ามันเกิดผลร้ายเราก็เรียกว่าชั่วนะแต่ก็ถือเป็นบัญญัติอีกเหมือนกันนะถ้าเอาเขาจริงๆถึงที่สุดมันก็ไม่มีดีมีช่วกยกันแหละแต่ว่ามันเป็นอีกขั้นหนึ่งแต่ในระดับนี้ต้องยอมรับในแง่ของการที่ว่า เพราะในที่สุดแล้วต้องการเอามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมฮะมนุษย์จะดําเนินชีวิตได้ดีเนี่ยก็ต้องรู้เข้าใจองค์ประกอบต่างๆที่จะมาเป็นปัจจัยซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของตนเองใช่ว่าอะไรเป็นผลดีแก่ชีวิตจิตใจของตนเองอะไรไม่เป็นผลดีในแง่นี้แล้วก็เป็นบัญญัติในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นความจริงในแง่ว่าอา้าวมันเป็นปัจจัย ส่งผลในทางที่เกื้อหนุนเราก็เรียกว่าดีตกลงนะบัญญัตินิยมรับถ้ามันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยส่งผลในทางทำลายบั่นทอนเราก็เรียกว่าไม่ดีเนเพื่อจะให้ปลอดภัยใช้สาวกุศลอกุศลกุศลก็เกื้อหนุนถ้าเป็นอกุศลก็ไม่เกื้อหนุนนแล้วก็นี่เป็นการพูดที่เดี๋ยวจะละเอียดเกินไปแต่เอาความเป็นจริงก็คือว่า ในแง่ความจริงทั่วๆไปเนี่ยเราพูดว่ามันก็มีแต่ภาวะที่สิ่งทั้งหลายมีความเป็นไปเปลี่ยนแปลงเกิดดับนะไม่คงอยู่ในภาวะเดิมแล้วเป็นไปตามสภาพของมันซึ่งสิ่งที่เป็นสังขารก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่เข้าใครออกใครนะไม่ขึ้นต่อใครไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครอง บ, งบังคับท้นั้นไปข้ามันอย่างเงี้ยเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันก็อยู่ที่เราแล้วเราจะ ปฏิบัติต่อมันอย่างไรให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติไม่ดีเอาความอยากความยึดปัญหาปราทานเข้าไปจับมันนะแล้วก็โดยไม่มีความรู้เป็นวิชาก็ต้องเกิดผลไร้กับตัวเองเนะ น, นี่นอะไรก็เป็นอันว่าให้ใช้ปัญญานะพัฒนาขึ้นมาจะได้รู้ความจริงปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยนะนี่ก็คือนี่คือการที่ว่าเราจะเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ เอาเลยนะฮะนี่ก็คือหลักความจริงธรรมะที่ไปมีอาการปรากฏซึ่งจะมาเกี่ยวข้องกับเราแล้วนะก็ดูความจริงของมันที่เป็นใจลักมีลักษณะสามประการนะแล้วก็จะปฏิบัติต่อมันตามที่ว่ามาทั้งหมดนะให้ปลอดภัยก็ใช้หลัก4ีประการที่ว่ามานั้นนะฮนะแล้วก็พูดไปแล้วว่าความเป็นไปอันนี้ทำไมจึงเรียกว่าอิทธปัญตาปฏิจจสมบาท <c oughs> เรียกว่าตถตา แล้วในความเป็นไปอย่างนี้อาการที่เป็นอย่งงางนั้นเรียกว่าอนิจจตาอาการนี้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าทุกขตาการที่เป็นอย่งงางนาาาาั้เ น, งงนเรียกว่าอนัตตานะฮะเป็นเอาลตอนนี้ตัดตอนไปได้ตอนหนึ่งแล้วถือว่าพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็พูดเรื่องไตรลักษณ์จบโดยย่อนะ <c oughs> ทีนี้พอได้อันนี้แล้วเนี่ยทีนี้จะเข้าสู่อริยสัตว์ได้ชัดเจนขึ้นทีนี้ตอนนี้มีอะไรสงสัยไหมครับพูดกันซะก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะ ไปสู่อีกหลักหนึ่งเป็นหลักใหญ่เรื่องอาลยสัตว์แล้วเดี๋ยวถ้าไม่ชัดเจนแล้วพี่พูดต่อไปก็จะพลอยไม่ชัดไปด้วยแล้วก็ปัญหาเก่าๆข้อสงสัยเก่าๆก็จะลืมไปเสียมีอะไรไหมครับตอนนี้คราผู้ปรานกับ อ, อู้อประทานตากตานี่ยผมว่าตัว อ, อ, อย่างที่ชัดๆนะครับออย่างกรณีที่เราอ่านข่าวนะว่ามีคนตาย คือว่ามีดาวดวงไหนแตก mm hmm. นะฮะถ้าเมื่อไรไม่ใช่ญาิของเราเที่ยวโรคหรือปัญหาของโรคเนี่ยเ ร, ขขเรารหาหาู้สึกว่าเราก็อ่านแค่ขาวเท่านั้นความรู้สึกไม่ไม่ไม่ ไ, มไมปยึดถือไม่รู้สึกอะไรเลยที่มันเกิดขึ้น mm hmm. แต่ถ้าเมื่อไรเรือ่องนั้นเป็นเรื่องของย่าดโดยครองบุคลากรหรือว่ายักษ์ใหญ่ที่เราเรารับนเป็นเรื่องของโรกที่กำลังจะวิกิตที่จะคนจะเขกับเราเนี่ยพวประธานจะทางานกันทีอัตราจะเป็นชัดนเรือ mm hmm. เป็นดาวพระพฤหับ เราก็แน่นอนแหละเพราะว่าเรามีความยึดอันเนี้ยยึดหมักหมมสะสมฝังลึกลงมาจกนกระทั่งว่าไม่ต้องรู้สึกตัวไม่ต้องคิดมันทํางานปั๊บทันทีเลยนีมันลงสู่จิตไร้สํานึกเลย<ม>กระทบปับเป็นได้ความเหมือนอย่างเราเข้าป่านี้พราะกระเสือมาท่านน่นะตัวสั่นโดยไม่ต้องไปคิดเลยใช่ไหมใครต้องไปคิดบ้าง ออกเสือมาแล้วตัวเองอยู่ในภาวะที่ไม่มีหลักประกันความปลอดภัยใช่ไหมไม่ต้องไปคิดว่าเสือคืออะไรรูปร่างมันเป็นยังไงมันน่ากลัวยังไงมันจะทําอะไรเราใช่ไหมมันปั๊บตัวสัน่นทันทีเลยนี่อ่าหรือถ้าเราเกิดไปอยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยนะอยู่ในที่ธรรมหรือว่ามี กลงเหล็กอยู่ใช่ไหมนะเสือทําอะไรเราไม่ได้แน่นอนบอกเสือมาเราก็เฉยได้ใช่ไหมไม่ต้องเป็นนึกเนะี่ยไอ้นี่มันความตระหนักอันนี้มันมันพรั่งพร้อมทีเดียวเลยผมคิดพิจารว่ามันเป็นการยากที่เราเน่จะใช้ปัญญาไปจัดการกับจิตภายสัมพันธ์ส่วนนี้เพราะว่ามันเป็นจังฝัง ต, ง, งตัวลึกอ้าวเราก็มองในมุมกลับสิมันสะสมมาได้ยังไง ่มมันก็แก้ในการที่ค่อยๆแก้ความสั่งสมนี้คล้ายๆว่าสร้างความเคยชินใหม่สร้างความสะสมใหม่ไอ้สะสมฝ่ายปัญญาขึ้นมาสิแต่ก่อนมันสั่งสมหมักหมมฝ่ายตันหาุบาทานใช่ไหมโดยอาศัยวิชาเป็นเชื่อเป็นมูลเป็นฐานให้ไอ้นี้เราก็มาสะสมฝ่ายปัญญาใช่ไหมอันนี้พอฝ่ายสติปัญญามันมามันก็ค่อยๆดีคือ ต, ตื่นตืนคือ ถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็ตอบไปนะอ้าวในเมื่อเรารู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยเราก็มาจัดเป็นหลักการขึ้นมาเสื้อให้เกิดผลดีในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในการที่ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายที่ว่าเอาธรรมะหลักความจริงนี้มาจัดวางเป็นหลักการปฏิบัติอันเนี้ยไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าวางนะคือพระพุทธเจ้าทรงค้นพกความจริงอันนี้แล้ว เนี่ยพระองค์ก็มาจัดวางเป็นหลักก็หลักการนี้ก็เริ่มจากจุดที่ว่าเมื่อกี้คือจุดที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏแก่เราบอกแล้วนีน่เราอยู่ในโลกเราเกี่ยวห้องสมัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายก็คือเราเห็นความเป็นไปของสิ่งต่างๆสิ่งทั้งหลายปรากฏแก่เราในภาวะที่ว่าเมื่อกี้ คือมันมีความเป็นไปตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆอาการที่มันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆเนี่ยปรากฏชัดใช่ไหมเราเรียกนี่คือสับที่พระเรียกว่าทุกขนี่คือภาวะภาพที่สิ่งทั้งหลายปรากฏเกิเราและจุดนี้แหละที่มันมาสัมพันธ์กับตัวเราก็คือว่าเราจะมีท่าทีต่อไอ้ความเป็นไปนี้อย่างไรเราก็จะมีความทีก็คือเรามีความต้องการของเราอยู่แล้วเราก็ปรารถนาให้อยู่ในภาวะ อันหนึ่งที่เราต้องการและอันนี้จุดขัดกันเลยเพราะฉะนั้นจุดเริ่มเนี่ยคือว่าเมื่อมนุษย์วางท่าทีผิดอันนี้ปั๊บเกิดเรื่องทันทีนะถ้าแก้อันนี้ถูกก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี้ก็แปลว่าหนึ่งภาวะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นทุกข์คือไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆมีความเปลี่ยนแปลงเป็ น, ป น, ปนไปอันนี้เมื่อมาสัมผันธ์กับมนุษย์มนุษย์เข้าไปสัมผัสด้วยความอยากมนุษย์มีความต้องการ มันก็จะเกิดความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ใช่ไหมดัง น, นั้นสิ่งทั้งหลายนี่เป็นทุกข์ในตัวมันและเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์สำหรับมนุษย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในวงเล็บว่าด้วยตันหาปราานใช่ไหมดัง น, นั้นพระเจ้าจะจัดถึงว่าอ้าวเราจะมองถึงความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายมองที่ไหนก่อนก็มองที่ความปรารถนาของเราต่อชีวิตของเราก่อนใช่ไหมเนี่ย มองชีวิตของเรานี่ก็มีความเป็นไปไม่คงอยู่ไม่คงอยู่กับภาวะเดิมแม้แต่ในขณะขั้นตอนหนึ่งของชีวิตแล้วในที่สุดทั้งชีวิตนี่แหละก็ไม่คงอยู่ก็คือตายใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายนี่ภาวะนี้ปรากฏขึ้นก่อนเลยนในความจริงในความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายมนุษย์ก็มองเอาความต้องการมาจับที่ชีวิตของตัวเองก่อนก็มีความเกิดขึ้น แก่เจ็บตายนี่เป็นภาวะที่ไม่คงที่ไม่คงเป็นภาวะเดิมเปลี่ยนแปลงนะไอ้นี่ตัวความเป็นไปของมันแหละแล้วเสร็จแล้วก็ได้อ่าความสัมพันในตัณหาก็จะมีว่าเกิดความพลัดพรากจากสิ่งที่ต้องการที่ชอบในตัณหามด น, นะหรือว่าไปประจวบเข้ากับไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจนะ เออแล้วก็อะไรล่ะปราถนาสิ่งใดไม่ได้อย่างนั้นนะใช่ไหมเราพระเจ้าเจ้าก็ตัดสรุอบอกว่าขันห้าหมดแหละทั้งชีวิตเนี่ยรวมทั้งทุกสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะนั้นต้องตัดตัวอุปาทานนี้ออกไปความสัมพันธ์นี้ที่ผิด อันนั้นก็เลยโยงไปหาข้อที่สองก็ตั้งหลักขึ้นมาว่าไอ้ตัวเหตุก็คือความสัมพันธ์ที่ผิดการที่เข้าไปสัมพันธ์ด้วยความอยากความปรารถนาความต้องการโดยไม่มีความรู้เข้าใจนะี่คือมีวิชาเป็นฐานแล้วเอาตัณหาที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นความต้องการตัวเนี้ยที่อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอยู่ในภาวะนั้นนี้เนี่ยที่เป็นขัดกับความจริงของธรรมชาติเขา เป็นตัวมูลเหตุของทุกข์ซึ่งสืบลึกลงไปก็ถึงตัวอวิชชาแล้วไปโยงเข้ากับไอ้ตัวภาวะข้างนอกก็คือตอนเป็นอุปาทานถูกไหมอุปาทานนั้นบอกว่าในข้อหนึ่งแล้วข้อทุกข์ทีนี้ข้อสองนี่บอกไอ้ตัวตัวเนี่ยตัวเจ้าบทบาทสําคัญก็คือตัวสัรหาความต้องการมนุษย์มีความต้องการอันนี้อยู่แล้วก็ไปยึดไปอยากหมายมั่นให้สิ่งนั้นอยู่ในภาวะที่ตนต้องการนะ และเพราะไม่ได้ประกอบด้วยความรู้นี่ก็แปลว่าข้อสองนี่ก็คือท่าทีความสัมพันธ์การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายที่ผิดอันนี้ต้องแก้อันนี้การแก้ <c oughs> ก็ต้องดูว่ากระบวนการทั้งหมดนี่มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนั่นแหละก็ต้องสืบลึกลงไปว่าไอ้เจ้าตัวความต้องการนี้มาจากไหนท่านก็ให้กระบวนการของ ชีวิตจิตใจของมนุษย์ที่มันทําให้เกิดไอ้ภาวะนี้จงกระทั่งเกิดผลในการเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเป็นเรียกว่าเป็นภาวะที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันสืบมาตั้งแต่อวิชชาความไม่รู้เนี่ยซึ่งเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วแต่คราวนี้ต้องการให้เห็นการสืบทอดต่อเนื่องความสัมพันธ์ในระบบที่ว่ามีองค์ประกอบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างในการเป็นปัจจัยแก่กันที่ทําให้เกิดภาวะอันนี้ นะอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องจัดการให้ถูกจัดการกับกระบวนการที่ทำให้ตัณหาแสดงตัวออกมาทำให้ปรารถนาแตสิ่งทั้งหลายในแง่ตามความอยากความต้องการของตัวเองเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดเนี่ยมันไปอย่างไรกระบวนการของชีวิตจิตใจนะก็ต้องจัดการกับภาวะนี้ให้ถูกนะถ้าจัดการกับภาวะนี้ถูกมันก็กลายเป็นว่าทาลาย วงจรหรือกระบวนการนี้เสียใช่มก็กลายเป็นการแก้ปัญหาไปเลยนะหรือการทำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นภาวะที่ไม่เกิดปัญหาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่มแล้วภาวะนี้ก็เพื่อจะให้มนุษย์นีนะ่เห็นว่ามันมีคุณค่า ท่านก็อาจจะบรรยายเห็นว่ามันดีอย่างไรด้วยนะให้มนุษย์เห็นว่ามีคุณค่าเป็นสิ่งที่พึงประสงค์เป็นสิ่งที่พึงบรรลุถึงเข้าถึงอันนี้ก็เลยเป็นอริยสัจข้อที่สอริยสัจข้อหนึ่งก็แปลว่าหมายถึงภาวะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่นะที่ปรากฏแก่เราที่เราเป็นจุดของความสัมพันธ์อันที่สองก็เป็นอริยสัจคือการเข้าไปสัมพันธ์ที่ผิดพลาด ใช่คือสัมผันธ์ได้ตันหาเอาความอยากเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีอวิชชาเป็นมูลเป็นฐานและสามก็คือภาวะที่จะไม่มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะซึ่งก็คือการที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ว่ามาก็คือมีกระบวนการที่ถูกนะมันก็คือการกลับกันนั่นเองถ้าหากว่า กระบวนการที่ผิดระบบความสัมพันธ์ที่ผิดเป็นอย่างนี้ก็ต้องกลับตรงข้ามเสมอใช่ไหมก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกจากฐานของการปฏิบัติ ด, ด้วยตัณหาน่ก็เปลี่ยนมาเป็นด้วยปัญญาซึ่งก็หมายถึงการลบล้างอาวิชชาด้วยที่ว่าการปฏิบัติที่เกิดจากอาวิชชาก็มาเป็นการปฏิบัติที่เกิดจากวิชชาใช่อันนี้ ก็จะอยู่ในภาวะที่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะตอนนั้นอันนี้ตั้งเป็นจุดหมายเลยเป็นภาวะที่เป็นภาวะที่หลุดพ้นจากวงจรที่มันผิดพลาดนั้นเรียกว่าวิมุติหรือความเป็นอิสระเป็นสันติเป็นความสงบเป็นวิสุทธิเป็นความหมดจดนะเรียกว่าเป็นนิพพานนะจะเรียกว่าเป็นความดับความเย็น ก็แล้วแต่ใช้ศัพท์เรียกได้หลายอย่างก็เรียกศัพท์สุดท้ายก็เรียกว่านิพพานเอาทีนี้เพื่อจะให้เกิดผลจริงให้มันเข้าถึงภาวะอันเนี้ยซึ่งเรามองในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยเราพูดได้อ๋อก็เราเลิกปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายด้วยวิชาตัณหาอย่าไปเอาความอยากความต้องการเข้าไปเป็นตัวกําหนดสิเราก็พูดได้ แต่ทำยังไงจะให้เกิดผลอย่างนั้นล่ะมันต้องมีวิธีปฏิบัติใช่ไหมยกอุปมาบอกว่าเหมือนกับไฟไหมไฟไหมก็เป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ใช่ไหมก็เทียบได้กับทุกอา้าวจะแก้ปัญหาไฟไหมก็ต้องแก้ที่เหตุของมันซึ่งเราเรียกว่าสมุ ท, ทยัยอะไรล่ะเป็นเหตุให้ไฟลุกไหมได้มีเชื้อ มีออกซิเจนมีอุณหภูมิสูงศึกษาไปศึกษามาจับได้สามตัวนี่สำคัญที่สุดเลยอวจะแก้ไงโอ้ก็ไม่อยากก็ไม่ให้มีออกซิเจนซะมันก็ดับใช่หหรือไม่ให้มันมีเชื้อซะมันก็ดับหรือให้อุณหภูมิมันต่ำกว่าจุดลุกไหม้มันก็ดับพูดง่ายใช่อันนี้ภาวะเนี่ยใช่ภาวะนี้ก็คือข้อสามนิโรธ ภาวะที่ว่ามันไม่มีเชื้อมันไม่มีออกซิเจนหรือว่าอุณหภูมิมันต่ำารวจจุดลุกไหม้เนี่ยภาวะนี้จะไม่เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาเป็นภาวะที่เรียกว่านิโรธข้อที่สามเราพูดได้แต่ทำไงจะทำได้ก็ต้องมีวิธีปฏิบัติใช่ั้ยอันนี้แหละเพื่อจะให้ทำได้ตามนิโรธ ให้บรรลุผลนั้นก็เลยต้องวางวิธีปฏิบัติวางวิธีปฏิบัติขึ้นมาโอ้โหต้องอุ้ยไม่ได้ต้องหารถฉีดน้ําต้องหาทางเอาน้ำไปฉีดเนี่ยให้อุณหภูมิมันต่ําเย็นลงมาเนี่ยทำไงละ่ะเอาก็ต้องมีคนฉีดสิคนฉีดเข้าไปง่ายๆอะไรลนะ่ะไฟลุกอันตรายต้องฝึกคนใช่ไหมอ่าแล้วน้ำออกไปก็ได้ไงเดียวนิดเดียวไปถังเดียวไม่พอดับ แล้วต้องมีรถต้องมีเครื่องฉีดเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นว่าแค่จะทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดลุกไหม้นี่เป็นเรื่องใหญ่ในวิธีปฏิบัติของมนุษย์นะพูดง่ายทำยากพูดว่าให้อุณหภูมิต่ำแต่เวลาปฏิบัติการนี่มันต้องมาวางกาหนดนะต้องมาหาทางทำให้มีน้าจํานวนมากๆ ม, มีที่เก็บน้ำไวในยามปกติใช่ เพื่อเวลาไฟไหม้จะได้มีน้ําสํารองใช้ทันทีต้องมีเครื่องมือในการที่จะฉีดน้ําต้องมีท่อน้ําต้องมีคนที่ฝึกไว้อย่างดีไอคนนั้นก็ยังแถมต้องมีเครื่องมือป้องกันตัวเองอีกต้องใส่เสื้อพิเศษอะไรตังๆโอ้ยวุ่นวายเรื่องใหญ่นะหรือว่าจะทําให้ออกซิเจนหมดก็ต้องประดิษฐ์เครื่องมือใช่ไหมต้องประดิษฐ์ไอพวกสารเคมีอย่างอื่นที่จะมานะแก๊สเกิดอะไรก็ว่าไปหรือว่า จะทำให้หมดเชื้อก็ต้องมีเครื่องมืออีกแหละแล้วต้องมีปฏิบัติการกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดที่วางขึ้นเพื่อจะให้บรรลุจุดหมายเพื่อจะทำแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ามักเป็นข้อสี่นะเป็นวิธีปฏิบัติของคนแหละข้อหนึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติข้อสองก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันแต่ธรรมชาติที่เจตจานงของมนุษย์ข้อที่สองนี่ขึ้นแต่เจตจานงของมนุษย์นะเรียกว่ามีเจตนา เข้าไปสัมผัสในตัณหาก็เป็นกรรมขึ้นมาเลยนะแต่ข้อที่สามก็เป็นธรรมชาติอีกข้อที่สี่นี่เป็นปฏิบัติการของมนุษย์เองเลยเพื่อจะให้เกิดผลตามธรรมชาติพอมนุษย์ใช้วิธีปฏิบัติอย่างนี้นะมีตำรวจดับเพลิงมีกลองมีกลมมีผู้รับผิดชอบมีจัดระบบการบังคับบัญชาเวลาเกิดไฟไหมจะแจ้งข่าวอย่างไรและจะ ให้รีบไปได้ไวอย่างไงจะมีใครบังคับบัญชาอะไรแต่งยลางรว่ากับไปมีเครื่องรถดับเพลิงมีเครื่องยนต์มีปัม๊มมีสายท่ออะไรแต่ฝึกกันมายังไงเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยนะปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเวลาไปทำแล้วเนี่ยนะเวลาเกิดผลนี่สามข้อเกิดทีเดียวหมดถูกไหมคือใช่ว่าทำให้อุณหภูมิต่ำลงไปเนย ซึ่งได้ผลนั้นก็เป็นการทำให้ไฟดับด้วยใช่ไหแล้วทำลายเหตุของปัญหาด้วยบรรลุผลที่ต้องการด้วยใช่ไหมหมดทีเดียวสามข้อเลยด้วยวิธีปฏิบัติข้อ4ี่คือมักงอันนี้สามข้อต้นไม่ต้องไปทำอะไรวิธีปฏิบัติของมนุษย์อยู่ที่ข้อที่สี่แต่ว่าสามข้อต้นนี่มนุษย์ต้องรู้นะไม่ไม่รู้ก็ทาไม่ได้เหมือนกันใช่แต่เวลาปฏิบัติแล้ว ทำที่ข้อ4ข้อเดียวและไอ้สข้อต้นมันเสร็จผลมันเองอันนี้ก็นึวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าอาริยสัจว์4ก็จึงเริ่มด้วยหนึ่งทุกขคือสภาพที่ปรากฏนะที่มันจะเป็นปัญหาเป็นทุกข์ก่อเรื่องก่อราวแก่มนุษย์ได้ซึ่งสืบเนื่องมาจากข้อที่สองมนุษย์เข้าไปมีความสัมพันธ์ไม่ถูกต้องเอาความอยากความต้องการของตัวเองไปกาหนดนะแล้วตัวเองก็ เกิดปัญหาขึ้นเองแล้วก็ข้อ3ก็คือว่าอย่างนั้นต้องตั้งจุดหมายใหม่ให้ถูกต้องแล้วกําหนดระบบ <c oughs> ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็4เพื่อให้กระบวนการนี้บรรลุผลสําเร็จก็วางวิธีปฏิบัติของมนุษย์ขึ้นมาตอนนี้ลำมากมายไม่รู้เท่าไรเลยรายละเอียดน่ยแยกเป็นมรรคมีองค์8ประการสรุปเป็นสีลสมาธิปัญญาศีลก็แยกไปอีกเป็นศีลระดับศีหน้าสีลป ศีลสิศีลสองอสศีลสามอสอะไรก็ว่าไปหรือจะแยกไปเป็นในระดับของการปฏิบัติต่อสิ่งบริโภคปัจจัยสี่เป็นโพชเนมัจจัญญุตาปฏิบัติต่อสิ่งไว้รอบติตาเห็นหูฟังเป็นอินเซียสังวร อ, อ่าเป็นการประกอบอาชีพเป็นอาชีวะปริสุทธิศีลสมาชีพยังไงอีกใช่ไหมเรื่องจิตเรื่องกรรมฐานเรื่องสมาธิเรื่องสติเรื่องความเพียรเรื่อง ไปหมดเลยปัญญาปัญเยอพัฒนาเป็นปฏิสมัมพิทาเป็นโกศลเป็นวิปัสนาเป็นยา ร, ระดับต่างๆไม่รู้สารพัดโอ้โหนี่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเรื่องมรรคมดเลยนะก็เพื่ออะไรก็เพื่ออันนี้เท่า น, นั้นเองื่อสามข้อต้นจัดการให้มันถูกใช่มเหมือนอย่างที่ว่าเพื่อจะแก้ปัญหาแค่ให้ไฟมันดับโดยให้อุณหภูมิมันต่ำหรือให้มันหมดเชื่อไม่มีออกซิเจนก็ วุ่นวายเป็นเรื่องของกิจการในสังคมมนุษย์มากมายเหลือเกินนีอันนี้เราได้เลยนะฮะอริยส 4, ัจสี่นีอันนี้อริยสัจสี่สเนี่ยก็บอกแล้วว่าเป็นตัวธรรมะความจรงิงที่เอามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้ประโยชน์จากธรรมะ เอาธรรมะมาใช้แล้วเกิดผลดีกับชีวิตของตอนเองอันนั้นในการนี้ก็เลยอริยสัจนี่เป็นธรรมะภาคปฏิบัติ <Yeah. S 1> แต่ความจริงนั้นในธรรมชาติมันก็มีแต่เพียงอะไรพระพุทธเจ้าแยกจะแยกแบบง่ายๆก็แยกสองก็ได้คือหนึ่งภาวะที่สิ่งทั้งหลาย มันเป็นระบบความสัมพันธ์ความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่าอิทัปิปัจจยตาปฏิจจสุบาทนี่คือความจริงมีเท่านี้สองก็คือนิพพานใช่ไหมอิทัปิปัจจยตาปฏิจจสุบาทนี่เป็นฝ่ายของสังขารสังขารธรรมนี้อยู่ในอิทัปิปัจจยตาปฏิจจสุบาทแล้วก็นิพพานนี้เป็นฝ่ายวิสังขาร อ, อสังขตรธรรมความจริงทั้งหมดมีเท่านี้เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้า เวลาพระ อ, องค์ปรารพว่าเราได้จัดสรู้ธรรมะซึ่งธุรานุโพธาหรือธุรนุโพธาคนจะตรัสรู้ตามได้ยย่าพระ อ, องค์ก็บอกคืออิทัปปจจยาตาปฏิจจสม บ, บัติและนิพพานพระ อ, องตรัตนินี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลาปรารพบกับพระ อ, องค์เองเอาตัวสภาวะแท้ๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเอาจากพระดํารัส ที่ทรงพระปลารบในพระไถ่ขอพวกเราเองก็แค่เนี้ยหนึ่งอิทปัปปจจยตาปฏิจจสมบัติสองนิพพานใช่ไหมที่เราพูดไปแล้วไงเมื่อกี้เราบอกว่าธรรมะเนี่ยเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายก็คือเกี่ยวข้องกับธรรมะความเป็นไปไอความเป็นไปนี่คืออะไรเราพูดไปแล้วความเป็นไปนี้ก็คืออิทปัปปจิยตาปฏิจจสมุบาทก็คืออาการที่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยในระบบความสัมพันธ์ของมันใช่ไหม แล้วก็อาการปรากฏขึ้นมาเป็นไม่เที่ยงเกิดดับไม่คงอยู่ในภาวะเดิมนั่นเป็นทุกขังแล้วไม่มีใครเป็นเจ้ขอบังคับบัญชาสั่งการได้ไม่อยู่ในอำนาจใครเป็นอนัตตานีก็ไอทัศปัญตาปัญจสุบะนันเนี้ยทั้งหมดอันเดียวแต่พูดในแง่ต่างๆก็ออกเป็นไตรลักษณ์บางเป็นอะไรบ้างแล้วก็อีกอันก็นิพานทุกทั้งเนี่ยแต่เวลาจะเอามาทําให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เป็นภาคปฏิบัติการ จากอิทปัปปจิยาตาปจิตสุบาทกนิพพานนี่ก็มาวางเป็นอริยสัจสี่ข้อเพื่อให้มนุษย์นี่เข้าถึงได้มนุษย์ก็จะได้เริ่มในภาคปฏิบัติจะเริ่มไปจับเอาที่โลกนี้ที่ปรากฏกับตนเองที่ตนจะเข้าไปสัมผัส น, นี่คือภาวะที่เราเรียกว่าทุกข์รู้เลยว่าอันนี้นะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันคือภาวะที่เป็นไปตลอดเวลาไม่อยู่ในภาวะนั้นๆอย่างเดิม นี่เรียกว่าอาการที่สิ่งหลายเป็นทุกข์แล้วถ้าคุณสัมผันธ์ผิดปับ๊บต้องเกิดผลปฏิกิริยาขึ้นในชีวิตในจิตใจของคุณทันทีเป็นทุกข์ขึ้นมาภาวะขัดแยง้งฝืนความปรารถนานะฮะอันนี้ก็จัดจุดเริ่มนี้ก็ต่อไปก็อ่ะอยังงั้นก็สัมผันธ์ให้ถูกต้องนะฮะเอาต้องแก้ความสัมพันธ์ที่ผิดต้องรู้ว่าเหตุมาจากความสัมพันธ์ที่ผิดนี้คือตัณหารวมทั้งโยงไปอุปาทานแล้วก็จากวิชาแล้วคุณจะต้อง หลับระบบความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งจะต้องจัดการแก้กระบวนการที่ผิดนั้นหมดเลยใช่ไหมก็เลยดันนี้ก็เข้าสู่ข้อที่สมซึ่งจะมีจุดหมายวางไว้เห็นเลยว่ากระบวนการที่มันถูกต้อง น, นั้นจะเข้าถึงจุดหมายอะไรนี่เรียกว่านิโรธแล้วก็สี่ก็วางวิธีปฏิบัติของมนุษย์ขึ้นมา <S <S เป็นระบบที่เรียกว่ามักทั้งหมดแล้วก็เพื่อจะให้เห right ็นตานั้นเพื่อจะให้ดําเนินชีวิตไปได้ตามมักก็เลยกําหนดไตรสิกขาระบบการฝึก ฝนมนุษย์ระบบการศึกษาขึ้นมานี่ก็เลยเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนานะเอาแล้วนะฮะเป็นอริยสัจ4ี่เพราะาอริยสัจสี่ก็เป็นหลักการที่บอกแล้วว่าเป็นการนาธรรมะมาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์ให้ออกผลในเชิงปฏิบัติได้ไม่งั้นถ้าพูดแค่อิทธิปัจจยตาปจจัตตุบาและนิพพานนี่คนไม่รู้จะไปเข้าไปเกี่ยวข้องอยังไงเลยจับจุดไม่ถูกนะฮะ เอานะไปอันว่าอาริยสัจ4ี่ก็เป็นการเอาธรรมะซึ่งจะแยกเป็นสองเป็นอิทปัปัจญยตาปจิตสุบ า, าร์กนิพพานก็ได้แล้วก็เอามาโยงเข้ากับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ <S <S เพื่อให้มนุษย์ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติหรือธรรมะนั้นได้ผลดีกับชีวิตของตนเองพอมาเป็นหลักอริยสัจ4ี่ก็ปฏิบัติได้เลยนะถ้ามองไปในแง่เหตุผลก็ได้มองแบบง่ายที่สุดนะไม่ให้ลึกซึ้งก็มองในแง่ระบบเหตุผล นในธรรมะนั้นเป็นเหตุเป็นผลในตัวเองแล้วระบบอริยสัจ ท, ทั้งระบบนี้ก็มันก็เป็นระบบแห่งเหตุและผลนะแต่ว่าแปลกธรรมดาว่ามนุษย์เนี่ยจะคิดว่าเหตุต้องก่อนผลเหตุแล้วก็ผลเหตุแล้วก็ผลแต่ว่าอริยสัจนี้กลับกันเป็นผลแล้วมาเหตุผลแล้วมาเหตุใช่ไหมเพราะทุกภาวะที่ปรากฏนะ ภาวะที่ปรากฏของธรรมชาติที่มันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมหรือว่าผลที่เกิดขึ้นในจิตของมนุษย์จากการที่เหตุคือความสัมพันธ์ไม่ถูกต้องใช่ไหมนี่มันเป็นฝ่ายผลนี่และจึงข้อหนึ่งเป็นผลเป็นทุกข์และจึงสืบไปถึงข้อหนึ่งเป็นเหตุก็คือสมุทยัยเหตุที้เกิดทุกข์คือความสัมพันธ์ที่ผิดด้วยตัณหา หรือสืบลึกไปในภาวะสิ่งต่างๆก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเขาเหมือนเป็นกระบวนการทั้งหมดอันนี้กลายเป็นว่าเอาผลมาแล้วก็เหตุออแล้วต่อไปข้อที่สามเป็นภาวะที่เป็นจุดหมายน่ก็คือสิ่งที่เราต้องการอีกแหละแล้วก็ข้อสี่เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดหมายนี้เพื่อให้เกิดผลตามกระบวนการนี้อ้าวยางงั้นข้อสามก็เป็นผลอีก ข้อสี่ก็เป็นเหตุอีกใช่ไมเป็นเหตุผลสองชุดหรือสองคู่คู่ที่หนึ่งทุกเป็นผลสมุทรไทยเป็นเหตุคู่ที่สองนิโรธเป็นผลสมุดไอมรคเป็นเหตุอ้าวทำไมพระพุทธเจ้าไปจัดผลก่อนเหตุไม่จัดเหตุก่อนผลนี่แหละนี่แหละต้องตัดอย่างนี้เพราะว่าบอกแล้วว่าเป็นภาคปฏิบัติการของมนุษย์มนุษย์จะปฏิบัติ ก, ก็ต้อง ปฏิบัติไปจากการเจอปัญหาแล้วแก้ปัญหาอย่างไรเราไปเจอปัญหาแล้วจึงจะไปสืบค้นหาเหตุของมันแล้วเราจึงจะนะวางจุดหมายแล้วเราจึงปฏิบัติการเพื่อบรรลุจุดหมายนี่ปฏิบัติการก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการเอามาจัดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ก็ปฏิบัติต้องจัดเหตุผลในเชิงปฏิบัติการเหตุผลเชิงปฏิบัติการกลายไปต้องเอาผลก่อน หนลานาในเชิงปฏิบัติสองในเชิงการสอนเป็นความสามารถในการสอนการสอนให้ได้ผลนั้นต้องไปจากสิ่งที่ปรากฏแล้วจึงโยงไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่ปรากฏหรือกล่าวไปสอนขึ้น่าคนไม่รู้เรื่องไม่รู้จักไปนึกภาพอะไรต่ออะไรได้ยังไงเลยมันต้องมีตัวโยงให้ก่อนตัวจากสิ่งที่รู้เข้าใจหรือมองเห็นเนี่ยและโยงไปหาสิ่งที่ยังมองไม่เห็นเพราะนั้นทุก คือภาวะสะภาพที่ปรากฏใช่ไหมความเป็นไปขอยงสิ่งต่างๆอาการที่สิ่งที่หลายปรากฏเกิดเราหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็ตามเนี่ยทั้งหมดนี้คือเป็นสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มองเห็นการสอนต้องเริ่มจากสิ่งที่มองเห็นซึ่งง่ายแล้วจึงโยงไปหาสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมก็สืบสาวหาเหตุปัจจัยเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าสอนนี่สอนตามหลักการทรงวางวิธีสอนมาให้ด้วย แล้วสอนจากสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับคนไปหาสิ่งที่ยังไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนก็คือปัญหาที่เขาต้องสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆทุกของเขาปัญหาในใจของเขานี่สิ่งที่เขาเกี่ยวข้องสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วเนี่ยคนเรานี่ปัญหาเกิดขึ้นใครมาพูดถึงปัญหาก็สนใจแน่เพราะเรามีปัญหาอยู่แล้วอันนั้นการสอนต้องเริ่มสิ่งจากสิ่งที่มองเห็นไปหาสิ่งที่มองไม่เห็นจากสิ่งที่ เกี่ยวข้องจากสิ่งที่สนใจอยู่แล้วไปหาแล้วจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากนะพระพุทธเจ้าก็เริ่มจากทุกข์ก็เป็นจุดกระตุน้นพอพูดถึงปัญหาของคุณปั๊บก็สนใจทันทีแล้วจึงโยงไปหาเบื้องหลังว่าคุณมีปัญหาอย่างนี้คุณต้องแก้ที่เหตุมนะันนะนะแล้วทําไงละเหตุมันเป็นเพราะอะไรเขาสนใจแล้วนี่ปัญหาของเขาเขาจึงจะมาสนใจถึงเหตุของมันที่จะแก้ได้ ถ้าอยู่ๆไปพูดเหตุเข้ามาขึ้นมาเลื่อนลอยเลยใช่ไหมฉะนั้นหลักการสอนก็ถูกต้องเอาล้นะไปเอาเริ่มจากทุกคือสภาพที่ปรากฏมองเห็นง่ายน่าสนใจเกี่ยวข้องกับตัวเขาก็จึงสืบไปหาสิ่งที่ยังมองไม่เห็นไม่ปรากฏยากในต่อไปข้อสามนิโรธพอนิโรธนี่เป็นจุดหมาย วิธีปฏิบัติข้อ4วิธีปฏิบัตินี่อาจจะยากนะเป็นเรื่องเราจะต้องทําแล้วโอ้ <S <s พอเป็นเรื่องที่ต้องทํานี่คนพอจะต้องทําอะไรมันเริ่มกลัวเลยแหละมันไม่อยากทําเลยแหละใช่ไหม <S <s อันนั้น <S <s อุกอากไปบอกเขาว่าให้ทำโน่นทํานี่โอ้มันไม่เอาด้วยแล้วอันนั้นพูดถึงจุดหมายก่อนพูดถึงผลที่ต้องการว่าโอ้มันดีอย่างนี้นะจุดหมายนี่ดีอย่างนี้ผลที่เราจะได้เนี่ยดีอย่างนั้นอะย่างนี้นะยิ่งคนชอบอยากได้เห็นว่าจุดหมายนั้นดีเท่าไหร่นะ ตอนนี้แหละมันจะพร้อมที่จะปฏิบัติให้วิธีปฏิบัติยากเท่าไรไม่กลัวเพรานะนัพระเจ้าจะต้องเอานิโรธมาก่อนว่าโอ้คุณมีทุกข์นะแก้ปัญหาเขาก็อยากอยู่แล้วแลนะต้องแก้ที่เหตุแล้วพุทธเแก้ได้นะแก้ได้นะการแก้ทุกข์นี้ชีวิตที่ดีงามเป็นอิสระเป็นสุขแท้ๆเนี่ยเป็นไปได้นนจริงมันมเนีเป็นอย่างงี้ๆนะบอกให้เลย พาบอกว่ามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้นคนโห و, อยากจะไปเต็มที่แล้วตอนนี้พออยากจะไปเต็มที่ก็มันอยากจะไปมันก็หาวิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็บอกเลยสนองความต้องการบอกวิธีปฏิบัติต่ตอนนี้ถ้ามันชอบจุดหมายนั้นเท่าไรมันยากก็ไม่กลัวนะยิ่งชอบจุดหมายนั้นมากยากเท่าไรมไม่มีพลันเลยใช่ไหมแต่นั้นพระพุทธเจ้าสอนในวิธีสอนข้าพระองค์นี่ดีที่สุดแหละ เป็นวิธีสอนที่ยอดเยี่ยมที่สุดวิธีอริยสัจพอบอกเป้าหมายก็ให้เห็นปุตตหมายดีแล้วก็บอกวิธีปฏิบัติเท่านี้ยากเย็ยนอย่างไรก็ไม่กลัวสู้หมดแต่จะไปบอกการปฏิบัติก่อนคนถอยตั้งแต่ต้นเล้ไม่เอาด้วยเลยก็ไปอนว่าว่าโดยปฏิบัติการก็ต้องใช้วิธีอริยสัจหมายความวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนหลักอริยสัจ ม, มีการนําธรรมะหรือความจริงนั้นมาประยุกต์เข้ากับ การปฏิบัติการของมนุษย์นะและการสอนให้ได้ผลทั้งในแง่ปฏิบัติการและการสอนนะอันนี้แม้แต่ว่าจะใช้ในการปลุกระดมมวลชนเลยก็ต้องใช้วิธีอริยสัตว์นะทำไมล่ะอย่างเราจะมาปลูกระดมคนเนะี่ยอย่างนักปลุกระดมทั้งหลายเนะี่ยต้องเริ่มด้วยชี้โทษชี้ความบกพร่องความเสียหายโอ้ดูสิ ในประเทศไทยสังคมไทยเวลานี้มันเลวร้ายมันมีแต่ปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะชี้ให้เห็นไอตัวทุก์เนี่ยความไม่เรียบร้อยความเลวร้ายชั่วร้ายทั้งหลายนะพอคนเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหใจมันเกิดความไม่ชอบใจอย่างมากเลยใช่ไหมอนนี้ความสนใจเอาใจใส่มันเต็มที่ทีนี้พอบอกอย่างนี้นะสิ่งชั่วร้ายมันไม่ชอบใจเต็มที่แล้ว ชี้เหตุแล้วทีนี้น่าสมุทรไทยมาตัวการมันอยู่ที่นั่นเอาเลยสินี่น ะ, ะบอกตัวการไอ้เจ้านั้นไอ้กลุ่มนั้นโอหคราวนี้มันอยากกําจัดทันทีใช่ไหมน่าพระทุกข์มันมาแล้วนะี่ยมันเห็นความชั่วร้ายไม่ดีไอ้ตัวการนี่ไอ้พวกนี้เองมันทำอย่างนั้นอย่างนั้นงนั้นคราวนี้แหละกรเฮี้ยนก็ะหือรือเลยใช่ไหมจะต้องจัดการกําจัดใช่พวกนี้น่าทีนี้เอาแล้วนะพร้อมแล้วนะ ใจนี่เต็มที่แล้วทีนี้บอกจุดหมายบอกเนี่ยที่เราจะต้องจัดการในพวกนี้นะเพื่อเราจะได้สังคมที่เป็นอย่างนี้มันดีอย่างนี้สังคมนี้มันดีอย่างงี้งี่นะพูดใ้เห็นแหมมันเป็นแสงทองผ่องอ่ำไยใช่ไหมโอ้มันแสงจะ ด, ดีโอ้โหดีชอบใจทีนี้มันก็ยิ่งอยากไปใหญ่ที่แตทีนี้จะไปถึงจุดหมายนี่ยังไงต้องจัดการในเจ้าตัวการนี้จึงจะแก้ปัญหานี้ได้หมดโอ้โหตอนนี้พร้อมเลยเต็มที่นะ คราวนี้บอกวิธีปฏิบัติเลยใช่ไหมพอพร้อมอย่างนี้แล้วบอกวิธีปฏิบัติ ต, ต้องทำยังไงงันตอนนี้ยากยังไงเอาหมดสู้บางทีกลายเป็นว่าแม้แต่วิธีการร้ายแรงรุนแรงที่ปกติถือว่าชั่วร้ายก็เอาใช่ไออทำได้เต็มที่เลยพอมันปลุกมาได้ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยแหละวิทยาลัยสัตว์เนี่ยนะถ้าเอาไปใช้ไม่ดีก็กลายเป็นเรื่องของการปลุกระดมไปเลยนะี นักปลูกกระดมก็ต้องใช้อย่างนี้เหมือนกันนะไอ้วิธีปฏิบัตินะ่จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เนี้ยพอวิธีปฏิบัติมาก็ได้ผลสาข้อมันไปด้วยกันทีเดียวหมดนะคงจะเข้าใจนะฮะเรื่องของธรรมะวันนี้พูดซะทีเดียวสมเรื่องเลยแบบสั้นๆ น, นะพอให้เห็นภาพให้ได้ความเข้าใจแบบกว้างๆนะฮะแล้วเรา ได้ภาพนี้แล้วเราจะไปศึกษารายละเอียดก็ง่ายขึ้นนะก็แหวนวันนี้พูดถึงเรื่องจากเรื่องเก่าที่โยงพระจรณะใจมาเป็นสรณะเพื่อโยงเราเข้าหาธรรมะนะเพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับสังคมมนุษย์ธรรมะก็ประยุกต์มาเป็นปฏิบัติการเป็นหลักสําหรับปฏิบัติก็เป็นอริยสัจสี่นะอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวเราโยงมาหาธรรมะเราพูดถึงธรรมะก่อนว่าธรรมะความจริงนั้น ที่มาสัมผัสกับมนุษย์เนี่ยก็ออกในลักษณะที่จะต้องรู้ความจริงของการที่มันเป็นระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยที่เรียกอิทธปิปัจจยตาปจิตจัตุบาทหรือตถาตาแล้วการในความเป็นจริงอันนี้มีอาการปรากฏก็เป็นอันนี้จังทุกขรังอนัตต า, าแล้วเราจะเข้าไปปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้เกิดผลดีก็มาวางหลักความจริงนี้ในภาคปฏิบัติเป็นอริยสัจสี่ ก็เป็นระบบแห่งเหตุผลที่ว่านี่ซึ่งอขอพูดต่ออีกสักนิดหนึ่งว่าหลักอริยสัจเนี่ยเป็นหลักที่สืบเนื่องมาจากตัวธรรมคือความจรงิงที่เป็นของไปอยู่ตามธรรมดาในธรรมชาติอันนั้นก็จะมีความพิเศษมีคุณค่าหรือลักษณะที่พิเศษก็ <S <S คือว่าหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการที่มนุษย์ ถ้าต้องการมีชีวิตที่ดีงามต้องการจะแก้ปัญหาของมนุษย์เนี่ยอันนี้ขาดไม่ได้เราอาจจะไปสนใจอะไรแตร่เรื่องอะไรต่เรื่อมากมายในโลกนี้มากมายนะฮะมีการประดิษฐ์คิดคน้นมีโรคเจริญขึ้นอะไรต่างๆมีสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตมนุษย์มากมายแต่ถ้ามนุษย์ต้องการจะมีชีวิตที่ดีงามนะ อะไรแต่อะไรอื่นที่สร้างคือมาอาจจะขาดได้สมัยนี้มีอันนี้สมัยน้นไม่มีอันนี้เลยก็เป็นเรื่องของมนุษย์แต่ว่าหลักการสี่อย่างในการแก้ปัญหาและเพื่อจะให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงามสี่อันเนี้ยขาดไม่ได้นะีอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ยืนตัวอยู่อย่างเนี้ยนะีอ้าวสองก็คือว่ามันไปของยั่งยืนอยู่หรือยืนยงตลอดไป ตราบใดที่มนุษย์ ย, ยังมีชีวิตยอยู่และต้องการมีชีวิตที่ดีงามมนุษย์อาจจะสร้างสรรค์วัฒนธรรมอารยธรรมมีวิชาการอะไรต่างๆวิชาการอื่นๆมีเยอะแยะวิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์วิชาการเหล่าเนี้จะมีจะเจริญจะเสื่อมอยัางไงาก็ตามวิชาการเหล่านี้จะเป็นเรื่องของส่วนประกอบปลีกย่อยไปหมดเลยส่วนวิชาความรู้ที่แท้เนี่ยจะต้องอยู่ที่อริยสัจสี่เนี่ยยืดยงตลอดไปเนี่ย ไม่เป็นวิชาที่เจเริญเสื่อมไปอย่างอื่นนะ อ, อันนี้ก็สองแล้วนะหนึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไปได้สองเป็นสิ่งที่ยืนยงอยู่ตลอดไปสามเป็นวิธีการแห่งปัญญาใช่ไหมเป็นวิธีการแห่งปัญญาใช้ความรู้ในความจริงของธรรมชาตินี่แหละมาปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆให้เรามีชีวิตที่ดีงามไดนะ้เป็นวิธีการอย่างปัญญาแล้วก็สี่ก็คือว่ามันเกณฑ์การปฏิบัติให้สำเร็จผลด้วยฝีมือมนุษย์เองนะหมายความว่ายอมรับศักยภาพของมนุษย์ให้มนุษย์ได้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปพึ่งพาอำนาจโดนบรรดาลของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรภายนอกจะมา นี่เป็นการแก้ปัญหาได้ฝีมือมนุษย์ก็ได้ปัญญามนุษย์นั่นแหล ะ, ะตกลงว่าเป็นคุณค่าพิเศษเของดิฉัสัตว์สีซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบแล้วจะต่างจากเรื่องของวิธีการแก้ปัญหา เ, เรื่องของการนับถือศาสนาอะไรต่างๆทั่วๆไปและแม้แต่การแก้ปัญหาในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน เอานะเด็ก็วิธีการของยสัสต์ด้วยที่มันค้ายมันมีอหลายวิธีจะเลือกตัวเชปัญญาข้าแก้ปคือมักมันก็มักเดียวนั่นแหละแต่ว่าองค์ประกอบมันเยอะมีวิธีปฏิบัติอันนี้ยักเยื้อไปวิธีการแต่ว่าหลักใหญ่มันอันเดียว ใช่ว่าหลักสีสมาธิปัญญาก็เป็นหลักการใหญ่ที่เหมือนกันหมดแต่ว่าเราจะไปยักเยื้องอันนี้ต้องขึ้นต่อสภาพแวดล้อมบ้างเรื่องของปัจจัยภายในของบุคคลบ้างความแตกต่างระหว่างบุคคลจริตอัธยาศัยความแตกต่างในอินทรีย์แา้ว่าคนแต่ละคนนี่ก็มีความแตกต่างกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนแนวราบหรือแนวนอนแนวตั้งก็คือ ระดับการพัฒนาไม่เท่ากันที่เราเรียกอินทรีย์แก่กล้าอ่อนกว่ากันนะปัญญาอ่อนปัญญาแก่ศรัทธามากศรัทธาน้อยสมาธิจิตกาลังจิตอะไรเข้มแข็งน้อยมากกันนี่ระดับการพัฒนาแนวตั้งไม่เท่ากันแนวนอนแนวโน้มความสนใจความถนัดอัธยาศัยไม่เหมือนกันนะอย่างพระพุทธเจ้าจะไปสอนคนระดับเดียวกันในอินทรีย์พัฒนาเท่ากัน แต่คนนี้เขาเป็นนักรบคนนี้ก็เป็นชาวนาคนนี้เขาเป็นอะไรเป็นพวกนักอุตสาหกรรมพ่อค้าพานิชหรือคนนี้เป็นนักวิชาการเป็นพราหมณ์พระเจ้าก็จัดไอสิ่งที่จะสอนให้เหมาะกับคนประเภทนั้นๆใช่ไหมอันนี้เรียกว่าแนวราบก็ไม่เหมือนกันอันนี้อย่างการที่จะไปให้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาคนนี้จะมาเริ่ม วิปัสสนาจุดไหนดนีอาจจะได้สมาธิเท่านี้ก็เริ่มได้เอ้แต่คนนั้นควรจะสมาธิอีกระดับหนึ่งจึงเริ่มใช่ไหมไม่เหมือนกันสีเสินก็ต่างกันไปใช่แต่ว่าหลักการใหญ่เหมือนกันหมดก็ต้องมีครบสีสมาธิปัญญาแต่จะเอาแค่ไหนจุดไหนจะใช้วิธีการยักยวงนี้ต่างไปตามคนครบแน่นอนก็คือว่าไอ้ตัวหลักการใหญ่นี่ มันมันเป็นหลักการเดียวกันน ะ, ะเพราะว่ามันเป็นหลักความจริงที่มาจากชีวิตนี้มาจากความจริงของธรรมชาติชีวิตนี้ถ้าปฏิบัติต่อชีวิตไม่ถูกต้องตามธรรมชาติข้ามาผลก็ไม่เกิดดัง น, นั้นมรดกนั้นก็ตีก็ดีศิกขาสามก็ดีเนี่ยวางขึ้นมาจากความเป็นจริงของชีวิตของมันที่เป็นธรรมชาติใช่ไหม เอานะฮะยังไงก็วันนี้เท่านี้ก่อน